พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมของของของของตุนเขาที่เกิดที่มีพุทธศาสนานะวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นเขาปฏิญาณตัวเลยคงจะคงเคยอ่านเนาะอ่านบทเนาะข้าพาเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูงฆ์ <c oughs> แต่บุสบาพันเรียกอขอถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรม ข อ, อจงสรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาปฏิญาณตนไม่ได้รับสินสินนั้นอยู่ในพระธรรมแล้วความหมายของของขานี่นนเข้าใจนะแต่สีนี้มันมีอยู่ในหมวดธรรมที่พระเจ้าสอนเขาก็ปฏิบัติไปเลย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 แบบอินเดียะอืเขาจะว่าเอาเลยเวลานะเขามาในอาราธนาเขาไมา่ได้ขอเพราะว่าไม่ใช่ทําขอเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะปฏิปฏิเจ้าตัวอยากได้ให้ทำออกอใช่ไหมศีลก็เวนกันเจ้าตัวงดเว้นบาปเจ้าตัวก็ตั้งสัตว์งดเว้นเอาเอง เป็นหลักกรรมหลักกรรมนั่นเป็นเป็นนิยามเ้าก็เอาภาษาภาษาบาลีมาใช้แล้วเนาะนิยามคืออะไรเอาภาษาบาลีภาษาธรรมของมู้เจ้าไปใช้แต่ก็เอาไปใช้มาาาไม่ถูก ม, มีจํากัดอยู่แค่นั้นภาษาโลกก็เอาไปใช้ โลกก็มาใช้โลกคืออะไรประเทศก็มาใช้ไม่ใช่ภาษาเรานภาษาบาลีเหตุนั้น่ะเวลาเวลามาใช้แล้วก็เอามาใช้จำเพาะไม่ได้ว่างขวางนิยามนิยามก็เอามาใช้อีกเนาะพอรู้แล้วเนาะ นิยามคืออะไรเนี่นนะโดยทีนี้จะว่านิยามนิยามให้ฟังให้ความรู้ก่อนเพราะเมื่อเมื่อรู้แล้วอมืมันจะเกิดปัญญาความคิดอืเพราะว่าตามหลักธรรมามธรรมดาเนี่ยตามหลักอริยมังนะท่านตั้งปัญญาขึ้นก่อนสมาทิฐิสมาสังกปขึ้นก่อนอถ้าใจจีขาแต่านก็นเรียงเอาไว้สูง ออันนี้สําคัญนะเป็นหัวหน้าศีล ส, สมาธิปัญญาข้อหมายว่าไงข้อหมายทั้งหลายทั้งปวงมันหมายถึงจิตกระเจตสิกบอกมาจากทา่านรู้ทา่านเดียวอ ม, มีทา่านรู้ทา่าเดียวเท่านั้นบรรดามีเออบรรดามีทั้งหลายมีทา่านรู้ทา่านเดียวทํางาน จิตเเจตสิเป็นบุญและบาปเกิดบุญและบาปทาตอื่นไม่ใช่ธาตุรู้ก็จัดเป็นรูปทั้งหลายทั้งปวงรูปประรูปนี่ไม่เนี่ยเสียงอาจมาพูดออกไปเนี่ยเป็นรูปพูดไปปุ๊บมันก็ดับปั๊บไปเลยอันนี้จัง อันนี้จังก็อยู่อยู่หมดทำมนิยา ม, มนี่เป็นนิยามอีกเลยใช่ไหมเนียนเป็นนิยามของมันอาจจะมาพูดอยู่เนี่ยเป็นนิยามทำมนิยามอนนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นนิยามอีกแน่นอนที่จ้องต้องดับไม่เที่ยง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 หลักนิยามตรงกันกับที่เราเอาไปไ ป, ไ ป, ไปรู้ไหมที่เอาไปใช้ในใ น, ในภาษานี่นั่ไหมเนีาใจความแน่นอนความจริงที่แน่นอนไม่มีผู้แต่งไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลไม่มีเจ้าของมีผู้บรรดาลให้มันดับไหมเสียงเนะี่ยมีเจ้าของแต่งให้มันดับไหม วิจญาณของแต่งนะมันเกิดขึ้นมาไหมมีตัวมีตนไหมวิถวกวิจารณ์คือมันจะพูดออกมาไปเลยท่านบอกว่าเสียงนี่เกิดจากอุตุ ก, กับจิตนั่นเห็นไหมจิตกัวิถกวิจารณ์จิตคือเจตสิกนั่นแลหละวิตวกวิจารณ์เสียก่อนพูดออกมาเป็นภาษา ภาษาของมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นที่ภาษาพูดได้ดีที่สุดชัดเจนที่สุดอืสัตว์ดิเรกชันพารู้อยู่เนาะนั่นแหละสมองของสัตว์ดิเรกชันเป็นยังไงอืก็รู้กันแล้วปากของสัตว์ดิเรกชันเป็นยังไงอืมนกมันพูดได้เนาะลิ้นนกเป็นยังไง กับลิ้นของคนอนั่นแหะเข้าไปหมวดจิตนิยามกับกรรมนิยามอาีกเลเนี่ยกรรมนิยามก็แล้กรรมมันแต่งมาแต่งลิ้นมาแต่งปากมาแต่งมืหมดใช้สาวเขาว่าแต่งอืมทีนี่ยออกมาเป็นภาษาเลยทีนี้แต่แต่ก่อนว่าอนิยามบอกว่าไม่มีผู้แต่งไม่มีผูส้สร้างไม่ะต้องพูดเป็นภาษาซะก่อนเอขาจะได้เนี่ย ถ้าถามไปหาจริงๆว่าใครเป็นผููแต่งมีใครรับรองไหมมีใครยืนยันไหมนั่นแหละมันจะหาตัวหาตัวไม่ได้นี่เห็ น, น, น, นเกิดจากกรรมเกิดจากจิตจากกรรมจากอุตุจากอาหารเห็นไหมเมื่อเช้าเห็นไหมเมื่อเช้านะพักันกินอยู่นั่นถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้ทาน หลากหลายสรารพัดทั้งน้ำทั้งอาหารจะพูดออกมาเป็นเสียงได้ไหมเหนื่อยพูดไม่ไหวแล้วถ้าเกิดล้าไม่ได้กินสกักสองสาวันสักเจ็ดวันโอโทโท้โหจะพูดเลยสิเนะจอมั้ยสี่ันวันไว้ไหม น, น, นะนี่มันเกิดจากกันบูอืมกรรมก็เป็นนิยามมีอยู่ห้าทั้งมวล นิยามห้าส่วนมากพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มไม่ค่อยไม่ค่อยเอ่ยถึงเรื่องเรื่องนิยามอืมไม่ค่อยได้ยินกันแต่มันมีอยู่ในธรรมมีอยู่ในธรรมะของพระเจ้าอืมกระจายกันอยู่แล้วไปอยู่เพราะว่าธรมรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันไม่รู้จะไปอยู่ขันไหนเข้าใจในที่นี้นะเออนี่แหละนิยามห้า ทำมรรมยาณอนิจจังทุกขงกังอนัตตาจิตนิยามจิตอะไรก็สร้างนู่นต่ำสุดอเวจีสูงสุดพ ร, รมโลกเนี่ยจิตเนี่ยแล้วก็กรรมอีกคนี่ยคกรรมวะนั่นแหละถึงไปอยู่อย่างนั้นถึงเขาเขาสร้างให้สภาวะให้ไปอยู่องนั้นต่ำสุดอย่างนั้นสูงสุดอย่างนั้น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 เป็นผู้นำก็เป็นกุศลมีแยกก็ไม่ได้อย่างนั้นเห็นไหม เ, หเมื่อมีสิ่งหมูนั้นเป็นผู้นำแล้วถ้าหลงโลภแล้วมันจะสั่งงานออกมาให้พูดเป็นเสียงอะไรก็จะรู้เนาะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเรากำลังทรัพย์แลส่ยเนาะ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 แยกออกเป็นทวารทวารสามข้อสร้างป่ากออกมาให้พูดเพราะโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอให้พูดมันเป็นไ ป, น ป, นปนสื่อสารกันอืมีมสี่หน่อยนะ <S <S เห็นไหมสื่อทั้งหลายนี่นี่บริษัทของเราสื่อทั้งนั้นเลยทําไปทํางานอะไรบ้างสื่ออะไรบ้างปั่นนั่นแหละนี่เนี่ยป่ากของเราเนี่ยดูสิดูอาคารซิดูเครื่องมือเครื่องใชยดูสิ นี่ออกจากปากเลยแต่จิตเป็นผู้สั่งงานอกานนอกมาแนะ่นออกมาเลยอืมนิยามเออออกมาจิบจา ก, กเจตสิกเจตสิกที่เศร้าหมองก็โลภะทุศารมหะเจตสิกที่ผ่องใสก็โลภะทุสารมุหะถ่ายบุญก็มีอย่างนั้นนี่ออกมาสามเลยนะนิยามวันที่สีอุตุ อุตุก็เย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งนั้นเลยพอจะรู้นะ อ, อุตุเนาะออเนี่ยเสียงคือคืออยู่นี่ถ้ามีพีอุตุนี่จะได้ไหมเนี่ยเห็นปรับอุตุให้มันอยู่พอดีพอดีร่างกายของมีร่างกายอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วอุตุเพราะว่าเกิดเพราะว่ารูปวันนี้เกิดจากอุตุอืมอุตุทั้งหลายทั้งปวง ก็ประกอบเขากันดินน้ำลมไฟธาตุหลักอุตุนิยาสัมพันธ์กันได้ยังไงอันที่ห้าพีชะเมื่อเช้านัง่งกินอะไรบ้างมีผักเนาะเงินข้าวเลยขาดได้ไหม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 มีใครตอบได้ไหมไม่มีทางตอบได้ป่าไม้ภูเขาที่เคยไปเคยเคยไปเห็นไหมป่าธรรมชาติฝ่าเท้าของเราเนี่ยโตแค่ไหนนั่นเหยียบลงไปก็ติดไปหมดเลยพีชะพืชนั่นผีชะนิยามพืช เป็นภาษาบาลีแล้วมาว่าพืดๆอยู่ในะนะัเป็นภาษาบาลีอืม น, นไหมอาศัยอุตุทั้งหลายทั้งปวงอาศัยธาตุหลับมารวมกันแล้วตระกอบเข้ากันแล้วดุนยภาวะเรียกได้ว่าอุตุดินน้ำลมไฟถ้าเกิดเสียดุลขึ้นมาก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้เสียดุนเยอะเลย เห็นไหมถ้าเสียดุลปุ๊บนิยามมันเสียอะไรเนี่ยนิยามมันมันมันมันสมดุลเนีนะ่ยมนุษย์จิตนิยามกับกรรมมริยามก็ระสํบระสัยทํางานละสับระสายกันไปเลยเนะี่ยเห็นไหมสัมพันธ์กันไปหมดเนาะใช่ไหมถ้าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง มีอันเป็นไปแล้วอันนั้นก็เสียดุลเดี๋ยวนี้มนุษย์จิตนิยามกับกรรมนิยามไปเล่นงานธรรมชาติจนเสียหายยับเยินไปหมดอุตุนิยามก็เสียดุลไปหมดทีนะธทรมริยามอนิจังทุกขังหน้าตาก็ครอบไปหมดเลยทีนะสั่นสะเทือนไปหมดเลยสัมพันกันไปหมดใช่ไหม จิตนิยามก็ได้ทุกที่นยะเออกิดกรรมนิยามนะทำไปสารพัดทีนะ่เนี่ยเห็นไห ม, มขโมยไม้กันทำลายทาลายป่าเออทำลายน้ำทำลายอะไรเออนั่นไหนมเสียดุลความเสียดุลกระทบไปหมดนิยามทั้งห้าอย่างนี้สัมพันธ์กันไปหมดใช่ไหม เนาะนี่ให้เรารู้นะที่นี่นะนี่นี่ระบบที่ที่ที่เราใช้อยู่เนะ mm. นี่ยอืมนี่เนี่ยบริษัทของเราเนะี่ยเกี่ยวพันกันทั้งนั้นเลยเรื่องนิยามม่อ mm. สัมพันธ์กันไปหมดเลย mm. ก็ไปเกี่ยวกับดินน้าลมไฟอะ่ะอืมมันเป็ ร, รบ่วนระบบธรรมชาติของเขาอืม mm. ไฟอากาศ น, าน้ำดิน ัำพันกันไปหมดเลยธาตุหลักใช่ไหมล่ะเอออยู่ไม่เป็นสุกเลยเนะเออก็อา น, นิจังทุกขังอนาจา่าธรรมะยามเลยเนะี่ยนั่นะนะทำไมตรงกันเป๊กะ่ะ อ, อืนี่นทำไมทําพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงไ อ, อ้นี่นี่นี่พันธกันไปแล้วเนะี่ยนี่ก็เลยคคยกให้ฟัง อ, อ, อนี่นี่มันเกี่ยวพันกันไปอย่างไั เหตุ น, นั้นเน่ะที่นี้เน่ะ น, น, นี่เราจะไอ้ไอ้ไอรับศีลอยู่ที่นี่กำลังเกียมตัวรับศีลอยู่เนะ่ความจริงไม่ต้องมาขอศีนก็เลยจะให้เกิด น, นำให้ก่อนอาำรำลําพบทก่อนเพราะว่าจะรับศีลมันเป็นกุศลใช่ไหมล่ะเออไม่เป็นกุศล เออมันเป็นกุศลอันหนึ่งคืองดเว้นบาปสีนงดเว้นบาปเหตุ น, นั้นมันไปเข้าหลักจิตนิยามกับกรบมนิยามเจตนาเมื่อต้องมารับกับพระก็ได้ไม่ต้องทำพิธีไหว้พระทั้งเชา้าทั้งเย็นให้ทำนี่ปกตินะอาตมาจะว่าปกติ ของผู้มีศรัทธาเรื่อมใสในพระรัตนตรัยอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยแต่ยังไม่แต่ยังไม่แต่ยังไม่เที่ ย, ง, ย, ง, ยงแท้แน่นอนยังไม่ถึงพระรัตนตรัยแท้นะนี่ว่ากันเข้าใจนะช่างเช้าทั้งเย็นไหว้พระแลว้วตั้งสัตว์สมทานศินตั้งสัตตั้งใจเอาก็ได้ สมทานวิรัตเจตนาวิรัตสัมปัตตวิปรัตพิเศษอีกสมุเฉ็ทวิรัตสมุเฉ็ทวิรัตนี้เป็นของพอระรยเจ้าพูดถึงธรรมแล้วพระรยเจ้านับตั้งแต่โสดาขึ้นไปพูดถึงกเสียพะนิพานเมื่อเขาไม่ได้รับสิน ถ้าเขาทําก็เขาก็ทําเป็นพิธีพูดง่ายเป็นภาษาอตลาดภาษาพื้นบานแล้วว่าอัตโนมัติมีอยู่ในตัวแล้วเขามีฮิลิโอ ต, ตบาอยู่ในตัวแล้วไม่ได้สมาทานมันตั้งอยงง่างนั้นเขารู้อู้ทำอันนะั้นเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปบางดเว้นไปปุบปุบปุปุ บ, ป บ, ป บ, ปบเลยเขาไม่ได้ทำํำเขาไม่ได้ไม่ล่วงเกินศีล อันนั้นสมุชิฉทวีราชเฉพาะพระเร่เจ้าสําหรับผู้ยังไม่เป็นพระเร่เจ้าต้าองทำพิธีรีดองมีอะไรสละกัดอยู่ในสามแบบคือสมทานวิรัตกับเจตนาคือตั้งสัตว์เอาสัมปัตตาวิรัตอีกเป็นสามเจตนาอสมทานวิรัตนั้นคืออย่างเราจะจาทํากันอยู่นี่แหละอืมนี่อันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อลัทนา เ อ, อหมายถึงว่าเช้าเย็นเราว่าเอามัต้องอราธนาสมัต้องมีการขอเสียแล้วก็พุดทางตั้งนโมว่านโมสามจบออขึ้นครูเสีก่อนออไหวครูคือพระพุทธเจ้า อ, อืแล้วก็พุดทางสารนังขัตฉามิธรรมัาางสารนังคัตฉาว่าว่าปากเรา แล้วก็ว่าศีลโตเออเนี่ยแหละเป็นศีลอันนี้สมท า, านวิรัตว่าปะง่ายกว่านั้นอีกเนยนะถ้าอยู่ในสถานที่ไม่อำนวยยกตัวอย่างเนียอยู่บนรถหรืออยู่ที่ไหนเออบันโนมือยกมือใส่หัวไหวยอยู่ในจิตใจเออไหวยอยู่ในจิตใจพอดี ก็นโมตระขึ้นหูนึกอยู่ในใจอจะ ง, งดเว้นข้อดันข้อนอนข้อนั้นนี่และเจตนาวิรัตสองแบบแลวเนาะแบบที่สามสัมปัตตวิรัตงดเว้นโดยสุขเสริญรู้ไหมสุขเสริญเนี่ยจำไว้นะชาพุทธนะ แล้วเราแล้วเรสำหรับเราเป็นตั้งชมรมขึ้นมานะให้รู้ถ้าไม่รู้โอ้โหออเนี่ยสัมปัตตวิรัตงดเว้นโดยฉุกเฉินมีเหตุขึ้นึกปบปับโอ้มันจะผิีศีลยุงยุงมาเสียบอยู่ดีนี่เงยใจไหมล่ะไล่เอางดเว้นเดี๋ยวนั้นเลย ไล่ไล่เอางดเว้นเลยไม่ฆ่ามันงดเว้นเลยไม่โกหกงดเว้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอันนี้อันนี้ไม่ดีไม่ใช่ห้าตัวนะทีนี้สารพัดตัวทีนี่อไม่รู้ตัวไหนตัวไหนโอ้ยได้ออกเป็นตัวเลยทีนีเป็นเรื่องๆไปเลยทีนี่โอ้โอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นโทษนี้เป็นโทษเป็นโทษใครจกคำสามมันจีกำสี่มันโวรมสมมันออกมาปุกระจายออกไปสารพัดทีนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งเยอะเลย เห็นไหมอยู่ในจอเล็กตัวใหญ่นิจิมจิมจิมเขี่ยเขียเขี่ยเจิมจิมจิมเขี่ยเขียอยู่นึงอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรช่างนั้นเลยอืเป็นสีนั้นนั่นนะสีนันกระจายออกไปแล้วสินะยิ่งมีเครื่องใช้เนี่ยยิ่งกระจายออกไปเลยไม่ใช่ตัวเดียวเลยเนี่ยไม่รู้กี่ตัวสินะก็ประมวลลงมาแล้วก็ไม่มีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณฑ์ห้าอย่างใช่ไหมรูปสีเสียงเสียงอยู่ในจอนันจิมเขี่ยจิ้มเขี่ยอยู่นี่ เป็นสีแน่แน่เนีน่ยเห็นไหมฮะสังวรอยู่ในหมวดอีกอยู่ในหมวดที่ไหนเน่อือินทรีย์สังวรศีลอยู่ในหมดวดนั่นเห็นไหมบาลิสุดที่สีสนี่อธิบายศีนี่สะก่อนเมื่อดูอย่างนี้แล้วจ ะ, จะได้ตั้งใจถูกออินทรีย์สังวรศีน ทำไมถึงเอาอินทรีย์มามามามามามามาว่าสีลใชมดูไหมเพราะว่าบาปจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นเกิดขึ้นที่ตากับรูปเห็นไหมอยู่ในจอนี่ยจิ้นเขี่ยจิจ้มเขียวอยู่นี่เอออีกสารพัดเออรูป น, นั่นคู่กระดานนั่นแหละบาปจะเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นนี่แหละเออตัญหาจะเกิด ราคะจะเกิดก็เกิดขึ้นที่นั่นโทสะจะเกิดก็เกิดขึ้นที่นั่นมโหห์ไมทั้งพูดเลยมันหลงก่อนแล้วหลงลบแล้วหลงโกรธแล้วที่นะหลงรักหลงชังแล้วที่เนี่ยนบาปจะเกิดก็เกิดขึ้นที่นัเหตุนั้นทั้งจัดอินทรียสังวรศีลขึ้นมาให้สัมรวมรับร่างตาหูจมูกลิ้นกายใจลงไปเลยที่เนี่ยเห็นไหมอินทรีย์รวมทั้งรวมรวมไปทั้งหกเลยทีเนี่ย หกทางเหตนั้นจะเปรียบจอมปวกมีอยู่มีอยู่จอมปลวกเนี่ยมีอยู่หกรูหมายถึงตัวหกตั ว, ร ว, วตหรอกเนี่ยเออมีมีทวันหกเทวานเก้าก็ต่างหากอยู่นะทวานตัวนี้ทวันเป็นบอ่อเกิดบอ่อเกิดของบุญและบาปบอ่อเกิดของจิตเนี่แหละเดี๋ยวจิตนั้นอ่ะมีอะไรถ้ามีโลภะโทวสามโมหะเป็นตัวนํามันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นเหตุทีเกิดโลภะโทวสามโมหะ เห็นไหมนะเมื่อมันเกิดขึ้นที่นี่เห็นนั่นนะอินทรีส์สังวรสินโละเอียดลงไปอีกน่แนะปัจจะยะนิสิสินี่นเห็นไหมทานอาหารอยู่เมาาื่อเช้านี่ละเอียดไหมหมดสินใช่ไหมถ้าทานบริโภคด้วยตัณหา อด้วยความอยากตัณหาเอาง่ายๆแหะโลพาทัวร์ซาไปอุ้ยมันไม่อร่อยเว้ย อ, อ, อุ้ยอร่อยเว้ยยังไงเออใช่ไหมนั่นีองไหมบาปเกิดขึ้นแล้วเพราะโลพาทัวร์ซาบูฮะเป็นตัวเป็นวะอาคุสนะุนในไหมนะ่ะท่านจัดท่านท่านจัดขึ้นมาให้มาให้มาเป็นมันเป็นสินหมดสินอือเนี่ยเสื้อผ้าอาพรของเราเนี่ยทั้งได้เลย นี่เครื่องสายค่องของสองเต็มไปหมดนี่ยเขาไปนั่งเขา อ, อีปุ๊บอโอทโฮเงอนันแตนหามเกิดแล้วาบาปแล้วนั่นแหละศีลศีละสร่สรารงศีลปกตินหรอศีลเนี่ยปกติผิดปกติแล้วเสียเดียถูกไ้มละ่ะไม่ได้มานั่งเป่าเปล่าเลยไม่ได้ทานเปล่าเเลยผิดปกติไปหมดนั่นะ ในดศีนคือปกติผิดปกติคือผิดศีนใชนไหมภาษาพระศีนมันศีลาเสียงศิลามันมันเป็นภาษาบ า, า ล, ล, ลมีมันเป็นภาษาบาลีนาาี่นะไอ้พอรู้เนะื้อที่เนานะปัจจยานิสิทิศีนให้พวกเราชาวชมรมในที่ว่าพุทธศาสตร์อะไรปฏิบัติให้ถูก ให้รู้ทีนะ่ะเป็นศีลโอละเอียดยิบเลยนะี่เสื้อผ้าพอนนับครบหมดเลยรถลากเครื่องใช้ของสวยอืมปัจัจอืมการเสพปัจัจอืมเสพของเดี๋ยวนี้มีของกี่อย่างเออดูสิละมันกี่อย่างอืม มันเป็นดาบสองคมถ้านพูดนะเออมันเป็นดาบสองคมอาหารเนี่ยถ้ากินไม่เป็นได้โทษโรคภัยใกล้เก็บก็ตามมาอืกิเลสก็เกิดขึ้นได้โทษได้บาปเหตุนั้นท่านท่านถึงมีทําให้สอนมีมันําจสอนให้ใหใหพิจารณาเนี่ปัจจัยเนี่ยนิสิตินเนี่ยปริสังขาอยู่นิโสปินดาปังอืม เราจะเสพมาอาหารเพื่อพอประทังร่างกายอยู่ได้ไม่ได้เสพเพื่ออร็จอร่อยเพื่อให้อดวนผีเพื่อให้เป็นนักป้อมนักมวยนวนสวนนะเวลาทานไปพิจนาไปอโอ้ยิบเลยนี่หลักภาวนาท้งไหนเนีย มุงจะแยกศีลออกไปที่ไหนมุ่งจะแยกภาวนาออกไปที่ไหนมุ่งึะไม่รู้จะแยกสมาธิออกไปที่ไหนไม่รู้จะแยกภาวนาอยู่ที่ไอไอไอวิปัสสนาอยู่ไหนรวมศูนยน์อยู่ในหมวดเดียวกันเลยจินดวงเดียวทํางานเป็นมัคคะสังคีนั่นเห็นไหมเขาทํางานประสานกันหมดเลยเออเอาแทร์ที่เนี่ยเออแคร์แคร์แล้วจะเป็นปันน่นเออให้เข้าใจในที่นี้นะโน่นอะ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 เพราะว่าของชายนี่มันเป็นอย่างนั้นของกินเขาเหมือนกันเพต น, เนั้นเวลากินเวลาทานเข้าไปแล้วยังอีกห้างหัวคำให้หยุดเลยหนุนวุฒโหยิบเลยทนยีเออไม่ง่ายเลยท เ, เนี้ห ย, ยุดก่อนเผือไว้เลยของว่างชิมชิมชิมชิ ม, ม, มิมไปอย่าไปกินเยอะนี่นักภาวนานะ เอนักปฏิบัติบานนั้นแล้วก็ให้หยุดเลยทานน้ำตัดตอนเลยทานน้ำเยอะๆก็โอ้วนแน่นท้องแล้เนาะมึงอยากมึงยังหิวอยู่เลยมึงยังไม่อิ่มเหรอะเอาน้ำเข้าไปเยอะๆหนุยเสร็จเลยเนาะนั่นเห็นไหมบานนั้นนะ นี่แหละปัจจยยะนิสิตศีลก็ลงตัวพปอย่างนั้นอินทรีสังวรศีลปาติโมกข์เขาสังวรสังวรศีลศีลตามบันดัลเอาไว้นี่ปาลิสุทธิศีลสีนะว่าจำได้เนาะห้าพเจาก็ดูเฉพาะคนฤหัสของเราก็ศีลห้าศีลแบบ Yeah. แล้วก็นี่นะอินทร์สังวรศีลอาชีวปาริสุดที่ศีลจะว่าให้หมดเห็นว่าการทำมาหากินนี่นี่นี่นี่กองหากินทั้งนั้นเลยนะมาทำงานสุจริตไหมสร้างองไหมบริสุทธิ์ไหมหนี่ไม่ง่ายนะ นี่ได้ทาทาทำงานอยู่เนี่ยทุจริตตัวหน้าที่ผิดศีลทั้งนั้นเลยนั่นน่นะเหตุนั้นมันโยงไปหมดมถูกหรือไม่ถูกดูบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้ากันพากันรักษาศีลเนี่ๆๆๆเหตุนั้นถึงถึงไม่รักษาศีลไม่งดเวรบากมันถึงเป็นอย่างนี้ชัดเลยเนี่ย ก็ลงหลักกรร ม, มทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงเห็นไหมเนีย่ยอาชีวาปาริสุทธิศีลทำมาหากินแบบไหนบ้างเนี่นะเป็นศีลหมดน ะ, อะเอาจริงๆก็มันเกิดการกระทําเนี่ยจะว่าไงเกิดกรรมมา นุ่นดูในหมดนี่ยามน่นอีกสิเนี่ยดูดูสิละถ้ามาของพระเจ้านะ่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยลงก็ยอยู่กับเราหมดมนี่ว่าให้ฟังพอเข้าใจแล้วเนาะทีนึ้เนานะสินทรรั้งหลายพ่อจะรู้สนะินั่นหละสินที่สุกเฉินก็ งดเว้นไปข้อไปเลยออมันต้องไม่ต้องสมาทานมันเกิดขึ้นปุบปุบบปุบบโอ้นั่นผิดผิดผิดผิดเป็นบาปเป็นโทษงดเว้นงดเว้นงดเว้นงดเว้นไปหมดเลยเออศีนไม่ต้องสมาทานมันตั้งปัจจุบันจุดปัจจุบันงดเว้นสุขเสริญเจตตาตั้งเอาไว้ในใจ สมท า, านว่าปากสมุชิดเป็นของพระรี่เจ้านับได้โสดาไปถ้าใครเป็นโสดามีใครเป็นโสดายกมือขึ้นพูด <c oughs> ถึงกระแสพระนิพพา น, านไม่ต้องสมท า, านศีลหรอกเป็นสมุชิดงดเว้น โดยเด็ดขาดข้ามภพข้ามชาติเกิดไปชาติไหนชาติไหนก็ยังมีสีลอยู่เรียบร้อยดีเนาะไม่ต้องยุ่งเนาะมไม่ต้องยุ่งกับใครนี่แหละนี่พระริเจานับจะสวดาไปนี่พอรู้แล้วนะทีนี่นะหลักสีนเงินจากนี้ไปที่นี่ให้พระกันตั้งสะ อ, อรอัรธนาละแต่ตามธรรมดาอาจจะมา ยูวัดกูมือนกันไฮว้าวพราะฝึกให้รู้ฝึกให้รู้อถ้าไม่มีพิธีจริงๆเนี่ยศาลาลุงชินนี่ก็ทําอย่างนั้นถ้าเคยไปเคยไปเคยไปศาลาลุงชินก็จะรู้เนาะนี่แหละนี่แหละเขาทาแบบแบบมอนพวกมอนเขาทาเคยไปวัดมอนไหมยังไม่วัดมอนมีนะ แต่ว่าเขาเขาก็ได้อานมันมันมันมาอยู่บ้านเราเลยสิมันมาอยู่บ้านเราเนี่ยแต่พวกมอญแต่พวกมอญเขาเป็นพวกมอญพวกมพวก ม, มา่าเขาถอดแบบจากอินเดียอเอาแค่นี้เนาะเกิดทําแค่นี้เนะาะว่ารามาบทอ่ะตั้งใจเนี้ยอื่ตั้งใจมวเวนจริงๆนะออืมืมมให้ไปทําอีกต่างหากทั้งเชา้าทั้งเย็นเ น, นั้นพิเศษตัวกายตัวมัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุทัสสะ พระพุทธเจ้านมูตสนั่นจางนี้ไปเราจะได้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงเป็นสาระที่พึ่งก่อนบุตรทางสระนังกาชามีธรรมังสระนังกาชามีสร้างขังสระนังกาชามี โนตยัมปีบุทยังสรนังกาชามีโนติยัมปีธรามังสรนังกาชามีโนติยัมปีสังฆังสรนังกาชามีตาติยัมปีบุทยังสรนังกาชามี ตาติยมปีธรรมังสระนังกายชามีตาติยมปีสังังสระังกาชมตติยมสังขังสรนังกชามีที่สรนังกามะนั่งในทิตังสระน่ะจบแค่นี้จากนี้ไปเราจะได้สมทานเอาซึ่งสิกขาบทห้า อันเป็นหมวดศีลข้อห้ามเพื่อไปปฏิบัติรักษาไม่งดเว้นไม่ทำบาปเพื่อรักษาพระรัตนตรัยคือบุทธยาณธรรมะสงค์ที่เราปฏิญาณตนถึงเพื่อให้มั่นคงไม่ให้ขาดไม่ให้เบื่อด่ังพร้อยไม่ให้ทรุหูโปงเพื่อรักษาสาระเอาไว้ถ้า รักษาศีลไว้ได้ารณะก็จะยังอยู่ถ้ารักษาศีลไม่ได้สรณะขาดแสดงว่าไม่ยอมรับอเออดนั้นพระกันตั้งใจสมทานเอาซึ่งสิขาบดปานาติปาตาเวระมณีสีขาปดังสมมมิยามิ วดินนาดาณ์เวบรามนีสิขาปังสมาดิยามิกามสุมิชาจาราเวบรามนีสีกขาปังสมาดิยามิ มสาวาดาเวรามนงสีขาปังสัมาดิยามุชาวาดาเวรามนงิสขาปังสมาิยาไมสุราเมรยยมัจจาปมาดาธานาเวบรามนังสีขาปังสัมาดิยามิ บัท้ังห้ากะจบแค่นี้จากนี้ไปท่านจะบอกอานิสงอานิสงสีนที่บุคคลผู้ปฏิบัติดีแล้วงดเว้นดีแล้วปฏิบัติธรรมสมควรเก่ธรรมท่านกา็มีอานิสงอยู่สามอย่างอานิสงใหญ่ๆคือเจะได้สุขติความเป็นมนุษย์อย่างต่ำสูงขึ้นไปก็โลกสวรรค์ก็พออาศัยศีล จะมีโภคสมบัติร่ลำรวยนับตั้งแต่เศรษฐีขหาบรีสูงขึ้นไปตามลำดับจนพระเจ้าจากพริลาชก็อาศัยศีลจะทำลายกิเลสจะเลินสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสโลภะโทสะโมหะออกจากสันดานก็อาศัยศีล น, นี้เหตุนั้น ผู้รักษาศีลท่านจึงบอกเอาว่าขอให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเถิดนี่ความแปลออกมาแล้วนะมันนี่แปลออกมาจะได้พัดผ้าว่าเป็นภาษาบาลีอิมานิปัญจสิขาปะดาณิสีเลนะสุ ก, กระดิงยันติสีเลนโภกสัมปะดา สิเลในนิบุติงยันติจัสม่าสิลังวิโสทะเย่ <c oughs> เอาอลัฏฐนาที่เนี่ยอลัฏฐนาทำจบมีศีลจบแล้วที่เนี่ยมีอลัฏฐนาไหมอลัฏธรรมะเป็นไหมตามพิธี พรมมาจโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธะสันติทะสัตตประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง <c oughs> มันเป็นโลกคสซนัสไปรักษาสซนัสใกล้จะหายแล้วไม่รู้ว่าทำกับอะไ ร, ไรอะไรเป็นเล่นจมูกเขาหรือไม่รู้แล้วพ <c oughs> อาากันตั้งใจฟัง นโมตัสสะภะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะบรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะบรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โกนุหาโซกิมานันโดนิจยังวัชริเตสติอันทกาเลนะโอนาธาปีปังนักเวสถทาสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทยันติอีมัตสะ ธรรมปริยราญตสะอโธสะธาญาติสมันเตหีสกัจจังธรรมโมโซตบโบุติีมาพากัดจังใจฟังธรรมธรรมะที่เรากำกลังจะฟังอยู่นี้ มันเป็นปริยัตยิคือการฟังปริยัตยิเบื้องต้นการศึกษาปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทสามขั้นตอนจนถึงปฏิเวทถ้าปฏิเวทยังไม่ปรากฏแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่สมบูรณ์หลกักคุณธศาสนาปฏิเวทหมายถึงมักผลนิพานมักสี่ผลสีน่นิพานหนึ่ง โลกุตระทำเก้ายังไกลไหมยังไกลไหมโลกุตระทมพนโลกนุนละ่ะสุปฏิปันโนผู้ถึงกระแสพานิพานหมายถึงพระเรียรสวดาให้จับหลักตัวนี้เอาไว้โอ้ไอเราเนี่ยมันยังอยู่ไกลอยู่เนาะ หรือมันใกล้แค่ไหนแล้วนั่นแแต่ความจริงอะ่ะภาษาว่าใกล้ใกล้ภาษาพูดแต่ความจริงอยู่กับเราหมดแล้วใกล้หรือใกล้ก็อยู่นั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นทั้งหมด8ปด0มื่นสี่พันพระธรรมคัมภรเป็นนาวังขะสัตวุสัตร์เป็นปริยัติ ชื่อของมันเป็นบัญญัติธรรมรวมลงมาแท้ๆเป็นปรมตัตัวปรมัตฐาแท้แทย่นสั้นลงมากายกับจิตจิตเจติสิกรูปนิพานแต่นิพานของเราถ้าใครได้ถ้าใครถึงโสดาก็ได้นิพาน ม, มานั่งฟังอยู่นี้มีใครถึงนิพานบ้างเนอะ ถึงหรือไม่ถึงก็ไม่มีใครรู้ไม่ไม่มีใครยืบเบินให้ใครเนาะทำเองเนาะของใครของมันปัจจัดดังเป็นของจำพอกก็เอามาประเทียบกันนะเหมือนกับกิเลสกิเลส ก, ก็ปัจจัดดังเนาะใช่ไหมของเจ้าตัวเองเนาะนั่นแะ ถ้าสามารถกําจ the ัดกิเลสได้ก็ปัจจังอจำเพาะปัจจังเวดิตาโบนั่นแหละให้ทำเอาเองลงเลยก็ยนสั้นลงมาเลยจิตเจตสิกจิตกัเจตสิกก็เป็นบุญและบาปเจตสิกสมองก็โลภะโทสะโมหะใครเอาให้บ้างใครเอามาให้ ไปซื้อมาจากตลาดไหนไม่มีเนาะนั่นแหละนี่หละหลักคำสอนหอรเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นนั้แค่เข้าใจผู้จะกำจัดบาปมูนี้ก็ศีลสมาธิปัญญาภาษาพูดนะเป็นปริญญาศีลงดเว้นบาป ด้วยกายวาญานั่นว่าออกมาแล้วสิเห็นไหมทำเอาเองผู้จะ ง, งดเว้นจริงๆก็ออกมาจากเจตนาคือจิตสติสัมปชัญญะนั่นออกมาแล้วสิสติปัญญานั่นออกมาแล้วสิมีไหมละ่ะมาอยูน่นี่หมดบําเพ็ญกุศลในทิ้งพร้อ ม, ม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 เห็นเลยนะในธรรมจกักรท่านว่าป่าห้าตับบันติเมพิคเวประหารเลยเข้าใจนะที่นี่ น, ะ ป, ญญน ะ, ะปัญญาเนี่ยมักคะปัญญาแตนเศรษก็มักคะปัญญาเออฆ่าเลยฆ่าให้ตายเลย เ, ออเพราะมันเกิดขึ้นที่จิตเออ ศัตรูกอยู่ที่นี่พูจะปราบศัตรูก็อยู่ที่นี่ อ, อ, นอุยง่ายนีเดียว น, น้อเห็นไหมเหตุนั้นใช่ว่าประมวลลงมาเป็นคำสอนวันนี้ก็เป็นวันเริ่มเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นมาฆืมเป็นวันพูดง่ายว่าวันจตุรงคสันยบอะไรว่ากันไป ถ้าใครไปอินเดียจะกคือมันจะได้ไปเห็นที่ที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงประตอ้แสดงไอ้อวาตปฏิโมกข์ที่เวรุวัน น, นั่งอยู่นี่คงมีมีผู้เคยไปบ้างจะเห็นแต่เห็นแต่รอยเลยเห็นแต่สร้างมีต้นไผเหลือเหลือเหลือเป็นสั ญ, ญลักษณ์อยู่เนาะเคยไปเรืรู้นนะเรรู้ไปว่าไม่ไผ่ ตรงนั้นแหละก็ประกอบด้วยอะไรองค์สี่ชาวพุทธเรารู้กันแล้วเจตุรงคกัสันนิบาตวันนั้นเป็นวันเดี๋ยวนี้วันนี้ยังไม่ถึงมันเป็นไม่แค่พิธีแล้วเราเริ่มนู่นแอละวันเพ็ญปีนี้มันแปลกสแปดสองขนเป็นอาทิขมาน เขาจะรู้เนาะอาทิตย์แปลว่ายิ่งเดือนยิ่งเดือนเกินแปดสองหดปีนี้ไม่ใช่ปกติมากมันก็เลยเพิ่มเขาเดือนหนึ่งธรรมดาเป็นสิบสองเดือนเพิ่มเข้าไปเลยเลยเติมเป็นสิบสามเดือนปีนี้เป็นสิบสามเดือนนะนี่นี่จันทรคติอมันก็เลื่อนมันก็เลยเ ล, ยเลยเื่อนมา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 พระอาหารหั น, าหา น, นนะตน์มาประชุมกันอพระอรหันต์ทั้งนั้นนะอืมีแต่จะยอดเลยพันสองร้อยห้าสิบองค์ว่างันมาประชุมกันโดยไม่ได้ัดนั่นหมายมันก็เป็นจริงของหมูนม่นี้มันของหมู่นี้อัตโนมัติเลยละ่ะให้เข้าใจนที่นี่นะ เลยใส่ศัพท์คำ ว, ว่าอัตโนมัติเพราะว่าถ้าระดับนั้นแล้วมันต้องพูดอืมเพราท่านบ่มเพนบาเด ม, มีสุดยอดแล้วเป็นอัตโนมัติใส่ศัพท์คำ ว, ว่าอัตโนมัติมัรู้ว่าไงพูดนะ ว, ว่าอัศจรรย์อืใส่ศัพท์คำว่าอัศจรรย์ทีนี้บ้านเราบางเราเอามาใส่ศัพท์อัศจรรย์สารพัดนั่นนหะไม่ต้องไปบอกใครก็ามา วันนั้นอีเองพระพุทธเจ้าประชุมพร้อมเจตุลุงก็แสดงในประชุมพร้อมออก็เลยโอถือโอากาสประชุมพร้อมกันแล้วก็แสดงโอวัตปฏิโมกขําสอนโดยย่อธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าไ่ได้พระเนี่ยม่ได้สวดปฏิโมกขไม่ได้สวดพระวินยัย พระพุทธเจ้าแสดงปฏิโมกข์พอสพระพุทธเจ้าแสดงปฏิโมกข์จากนั้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็อืบัญญัติให้สาวกทั้งหลายสาธยายพระวินยัยอืมบัญญัตพระวินัยบรรยัญญตขึ้นมาให้สมบูรณ์บางเรื่องเป็นอุโบสถ แสดงโอวาทปฏิโมกโอวาทปฏิโมกก็สามข้อโดยย่อลงงดเว้บาปทั้งหลายทั้งปวงไม่ทําบาปทั้งหลายทั้งปวงขึ้นข้อด่นถ้าใครเคยสวดได้เคยสวดไหมใครเคยสวดได้อุดิทั้งโคเตนะะ ว, วัาจันณต า, า, ตาปัสสัตถะอรหันตาสมมาสมบุตเทนะโอวาดาปฏิโมขังตีหิกระาหิขันตีปรมังตโปตีติขานขึ้นมาเลยขันติเลยทีนี้ ถ้ามีใครเัาไม่มีความอดทนจ ะ, จ, ะจะอยู่ได้ไม่มจะมานั่งอยู่ได้ไหมถ้ามีมีความอดทนใช่ไหมขึ้นมาคุขอดนเลยขั้นตีปรมังตะโปตีตีขานิบบานังปรมังวเด็นติบุทานหิปบาชิโตประรุปะคาติสมนโนโหติป ร, รังวิเหตหยันตุสัพปะปัสสะาการังกุสละสุปสัมปดาสัจจิตปริโยดาป็นัง เอตังบุตานาสาสนังโดยย่อสามโดยพิสดารก็ออกมาเป็นหกถ้าใครอยากรู้ไปไปอ่านดูโอวัตปฏิโมกที่แปลไว้พิสดารเห็นไหมนี่เน้นพูดเป็นภาษาลววะวงงดเป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงสีอมอะไรบ้างบาป อาจะมาอธิอธิอาจจะมาอธิบายเป็นอารมณ์พบทเกินนําไปแล้วอยู่ในจอทั้งหลายน่นจิ้มเคลียเคลียเคลียจิ้มจิ้มจิ้เคลียเคลียเคลียจิมจิ้มจิ้มเปลี่ยนเคลียเคอยู่นั่นน่ะอันหนึ่งผิดปกติผิดปกติไหมผิดปกติเนาะจิ้มไปจิ้มมาเสียหน้าที่อีกเลยอะไรมาได้ยินว่าได้ยินเขาข่าวอยู่ว่าอยู่ที่ไหนเนาะจิ้มเคลียจนตาย ได้ยินข่าวอยู่เนาะยุคนี้มันสื่อมันมันข้ามโลกได้เนาะไม่กินอาหารเขาว่ากี่วันนี่แหละนุ่นเห็นไหมเป็นไปได้ก็จิตของคนนี่อะไรนี่ย น, น, น, นี่ยแต่แต่ทานรู้ตัวนี่แหละมันเสพติดเสพติดเหมือนกันก็รูปอยู่ในรูปะรูปสีแสงเสีย ง, เ, ยงเห็นไหมเนะี่ยเออสื่อ เพราะจีตมันจะเกิดมาเกิดเพราะรูปสีสีแสงเสียงกินรดโปรดจาปะเออทำมาลงเข้าใจสินเนี่ยเออถ้ามันเสพข้าอ พ, อพอล้วโอโทโฮมันต้องพูดเลยสินเนี่ยเออแน่น่ะเหตุนั่นแ่ละทง่ว่ามันเกิดขึ้นจากอันนี้นี่เห็นได้ั้งว่าในอวาดปฏิโมก่ันทิ้งยกอันนี้ขึ้นก่อนมันเป็นศีลให้ละมัดระวังให้สำรวม เออมันเป็นบาปจริงๆได้โทษบาปคือโทษบาปคือแผดเผาร้อนๆเมื่ อ, อ, อได้รั บ, ร บ, รบทุกภาษาเป็นภาษาบาลีนีบ่บำเพ็ญกุศลให้ถึงพรออ้อมเนี่เข้ม ข, นข้นกค่ลหนสินะสมาธิ คือตั้งมั่นในพระสานตใจเห็นไหม ม, มีมีการทําสมาธินี่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยเอเราไม่ได้เกิดนำบอกว่าการฟังการฟังกางทําเทียนสนานะให้ทําสมาธิไปพร้อมคือฝึกสติตั้งฟังให้หลับตาอืให้หลับตาเหมือนเหมือนเหือนเหมือ น, อนทำสมาธิมานั่งสมาธิฟังจออยู่เสียงนึ่งถ้าใครสามารถฟังได้ ระดับขนลุกสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่านั่นแหละได้ผลอะไรนะระดับนหนึ่งเขาใจะในที่นี้นะมันเป็นปรีดิถ้าน้ําตาไหลเออโอ้โหได้ยศเยอะได้เยอะอีกเขาใจะในที่นี้นะเนี่ยน้ําตาไหลเนี่ยอืมนี่ฟังธรรมไม่ใช่มาฟังธรรมอย่างเดียวสิ น, น่ะเวลาให้ทานเออเวลาให้ทานน้ําตาไหล เออมันเกิดปีติเออมันเกิดปีติกูสวนจิตมันเกิดขึ้นแต่ว่ามีน้วยคนถ้าทำให้จิตรวมลงเป็นสมาธิอยู่ขนิกะอุปจาระอปนาเละแต่นั่นละ่ะคุนเกิดอลไรนะั่แหเห็นนั้นละ่ะให้ฝึกสติไปพร้อมเพราะการปฏิบัตินั่นนะในพุทธศาสนานะ เห็นไหมที่อธิมาทิอธิบายทั้งศีสมาธิทั้งปัญญากลมกลืนกันไปหมดใช่ไหมเป็นมรคสังคีใช่ไหมเห็นว่าแต่ละอย่างมันเป็นภาษาว่านเวลาจิตมันทํางาน่โอ้โถเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยออ ม, มันสาอันทั้งมันเป็นนฝ่ายไม่ดีเนมันทําลายโลกได้หรืว่าบ้านเมืองเราสับเราใส่อยู่ในอะไรนั้นเข้าใจในที่นี้นะ ไปตกลรกมองไม่ไปทางนั้นเลยจิตเนี่ยมันสามารถเหาเหินดัดินบิ น, บ, นบินบนก็ได้มสามารถกําจัดกิเลสออกจากจิตใจนีเก็ได้อะไรมูนี้เออไม่ผู้รู้ผู้เดียวเท่านี้ท่านรู้ท่านเดียวยนสั้นลงมาแล้วไม่มีอะไรอห็นไหมที่พูดเรื่องอ น, นิยานิยามไม่ฟังนะนั่นแหะอืมเหได้นะ่ะนี่แหละบําเพ็ญกุศลให้ถึงพรอ้อมมันหมายถึงสมาธิ พื้นฐานแค่มั่นในพระลาจันไตไม่เสื่อมแล้วก็นัน่นแหละเป็นกุศลแล้วเหตุนั้นในหลักนั่นถ้าเวลาใกล้ใกล้ใกล้จะตายมาหรือมีอะไรเนะี่ยให้ระลึกกุโฑนนั่นแหละมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นกุศลเหตุ น, นั้นเวลาเวลาไอ้คนป่วยเขาถึงประเตือนคนไข้คนป่วยนะ่ะให้ภาวนาให้ระลึกถึงบุญกุศลให้ภาวนา น, นเห็นไหมนั่นแหละ บําเพ็ญกุศลนั่นถ้าสามารถอยู่ในกุศลได้ถ้าเกิดจิตมันไอ้ไ อ, อ้จูติคือใจเคลื่อนจากสารจะไม่ได้ไปทุกคติเออจะได้สุคติอย่างน้อยที่สุดก็มาเกิดเป็นมนุษย์เอออย่างสูงสามารถทําให้สูงได้ก็ไปไปสวรรค์ถ้าจิตรวมลงไปสมาธินั่นสินีน่นะพร ม, มโลก เป็นมหากุณสเลยนะีง่ายง่ายง่ายเหลือเกินในพุทธศาสนาเนี่ยแต่มันปัญหาว่าการกระทำมีใครสามารถไหมมีคนสามารถไหมสามารถทำได้ไหมไอ้ตัวนี้แหละนะก็ลงมาตัวคาอีกนั่นะเห็นไหมเห็นไหมมันไปขั้นเป็นดอนไปเลยนะี เหตุนั้นบำเพ็ญกุศลในถึงพอมันหมายถึงสมาธิตัวสมาธิตัวอัปมาตอัปปนาทั้นเป็นมหากุศลชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าใจนะเนี่ยชมรมทั้งหลายพวกเราชมรมให้เข้าใจมหากุศลน่อย่าเอาไปใช้ส้ร้ายยำเปไปหมดพูดง่ายว่าสามส่นเอาไปว่าสาพัดชาพุทธเนเราไม่รู้อีน้ยแล้วไปว่ากันเอาไปหลอกกันอีกเนาะ มหากุศลอย่างนั้นอย่างนี้มหากุศลคือสมาธิอัปปนาออใครอยากรู้ไหมถ้าใครสามารถทําสมาธิให้เป็ น, ปนอัปอปนาได้นั่นแหละมหากุศลจะรู้เลยเออถ้าจิตรวมลงเป็นสมาธิถ้าใครถ้าใครเคยเป็นทำไปนั่นนั่นแหละมันจะเกิดนี่มีดขึ้นมาเลย บวกขึ้นมาเลยในร ะ, ะ, ะยะหัวเรียวหัวโตวนัตถิสันติปรังสุขังเป็นภาษาบาลีขึ้นมาเลยเออมันอะไรเดี๋ยวจะว่าทีนี่อันนี้ยูแค่อุปจาระนั่นนี่นะ่ะอุปจาระกับอุปนาหัวเรียวหัวโตเพราะมันเป็ น, นขั้นเป็นตอนันนี้กัอุปจาระอุปนาแปลได้ไหมแปลได้เนาะเื่อนัตถิแปลว่าไม่มี สันติความสงบอืมปรังยิ่งอย่างยิ่งสุขังความสิความสุขอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เออเข้าใจได้วนะี่ความสุขอันยิ่งใหญ่นะอืมเพราะความสงบออะไรสงบใช่ไหมดูไหมอากุศล อากุศลไม่มีโลภะโทสะโมหะนิวรนสงบระงับให้เข้าใจเลยเนะี่ยเพราะว่านิวรนโลภะโทสะโมหนะมันเป็นอากุศลเ น, นี่ย ก, กิเลสอยู่ในเราเนี่ยมันสงบระงับนอนหลับเหลือแต่ธาตุรู้ลว้ลวนคือจิตกจิจเตสิกที่บริสุทธิ์พุดผ่องเห็นนหะเขาจึงบอกเป็นพุทธภาษีว่านทิสันติปรังสุข จะรู้เลยไปเนะี่ยคุณของศาสนาคําสอนมูจจอนเะนี่ยจะไม่ไปเชื่อใครเลยใชนะเนี่ยถ้าควรได้สมาธินั้นะมันจะหนักแน่นเออในในพระพุาาทธเจ้าพระธรรมพะสงฆหนักแน่นระดับสมาธิเออแต่มันเสื่อมได้ใช่ไหมเนี่ยคันรักษาไม่ได้มันเสื่อมมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสังขารเออนี่นนะนี่แหละนี่ น, นี่นี่ละ่ะ เมื่อจิตเข้าไปอยู่ในใ น, ใ น, ใ น, ในอปปนาอย่างนั้นแล้วท่านเรียกว่ามาหากุศลกุศลเข้าใจนะที่มันเกิดขึ้นกับจิตไม่ต้องอาศัยไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผดพะอือคือความสงบของอกุศลกิเลสน เ, นเออมันสงบละงั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยใครสามารถทำก็ทำได้เลยจากนี้ไปหาวันตายเอาให้ได้ดูสิ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 ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยนะได้กามาวาจรกุศลอย่างสูงกว่าสวรรค์เท่านั้นรักษาศีลให้ทานเป็นระดับขั้นอยู่แล้วไม่ใช่มหากุศลมันเป็นกามาวาจรกุศลให้เข้าใจสิเนะีย่ยอดี๋ยวไปอ้างมหากุศลมันม า, มาหลอกกันชาวพุทธนี่ยนะมหากุศลคือสมาธิจิตเป็นมหาคดะเนี่จิตตัวจิตเนะี่ยเป็นมหาคตะมันเป็นภาษาบาลีมหาคตะคือความยิ่งใหญ่หนักแน่นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลย ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้นี่จะว่าให้ฟังแม้จะมีใครวันคว้างระเบิดมัดยิงปืนเข้ามาเนี่ยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะไ ป, ไปทำลายได้เลยอืมสัตว์ร้ายมายังไงยังไงก็ไม่สามารถจะมาทำได้เลยนั่นแหะมะหาขุศนอันนี้กับจิตที่เป็นมาคาตจิตเนยะเขาจะรักษาชีวิตตินซียันนี้ไว้มันเป็นธรรมชาติเขา รักษาไว้ได้ขนาดไหนทีนะีมให้เข้าใจลมหายใจเนี่ยไม่มีอมคนได้อับนาเนี่ยให้เข้าใจทีนะมีทีนั่งอยู่เนี่ยอาจจะมีคนว่าเวลาทาสมาธิเออดุดว่าลมหายใจไม่มีใช่ไหมเนาะมีใครเป็นบ้างเนี่ยเห็นไหมมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าเลยแล้วลกำหนดลมหายใจกัน มันละเอียดเขาละเอียดเขาเลยโดดลมหายใจไปโอ้กูจะตายาอนยากจะขึ้นมาเออนั่นแหละไม่ได้เลยใชนะ่ไหมจิตมันจะรวมเป็นสมาธิก็ไม่รู้ก็เลยกลัวตายก่อนเออเพราะว่าจิตนั่นนะหลุดออกจากอารมณ์ไปจดจ่ออยู่กับกูจะตายเออเนี่ยเนี่ย ส่งนอกกไปแล้วใช่ไหมก็เลยถอนเลยปุ๊บเลยไม่ได้เห็นเขาใจในที่นนะเหตุนั้นอย่า ก, กลัวอย่าไปใส่ใจอะไรจะมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเออยอย่าไปสําคัญถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมานะเออนั่นแหละมันจะหยุดเออมันจะหยุดมันจะไม่เป็นสมาธิเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นอย่างนั้นนะแต่อาการ อ, าารอื่นมันจะเป็นอีกจะไม่เหมือนกัน เนี่ยลมหายใจมันจะละ้ละเอียดเขาละเอียดเขาละเอียดเขาถ้าเขาไปอมานาจริงปุ๊บเนี่ยลมหายใจนี่จะไม่มีว่าอย่างไงเนี่ยอ่ะอมลมหายใจนี่ไม่มี ม, มหากุศลอัปปนาชวนาท่านไส้เสียก่อนนี่เข้าใจนะสินะีภาษาบาลี อปปนาชาวนาะอือพูดง่าว่าอปปนาเจตสิเขาจะรักษาชีวิตินทรอศี น, นี้ไว้ไม่ให้ตายเข้าใจนะที่นี่นะเออนี่นะนี่พระธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ยมาคตาเนี่ยนะนะเป็นไปได้อย่างนั้นนะลมหายใจไม่มีอือ เจ็บปวดที่ไหนไม่มีเลยถ้าสามารถอยู่ได้นานเท่าใดเท่าใดก็ได้เห็นในะพวกฤาษีชิพัยเขาอยู่ในนานเออน่ยนะ่นนืมันรักษาซีวิตต่ซีอันนี้ไว้ไดเ้เป็นไปได้อย่างนี้ลหละนี่มหาคุอแต่ถ้าเกิดวิบากอันนี้ให้ผลปุ๊บ ร่างกายนี้แตกดับคือตายนั่ย น, น ะ, ะจุติปวยพมมโลกตามขั้นฉันจะบอกไว้แล้วจะอยู่ชั้นนี้ชั้นฉันนั้นพรมสิบหกชั้นชั้นพร ม, นน ม, มถ้าอภ ป, ปนาอยู่ระดับรูปราวจรก็ไปอยู่ในขั้นรูปราวจร ยังมีสูงขึ้นไปอีกอรูปปวาวจรยังมีอีกอพูดง่ายว่ารูปอรูปประชานรูปประชานรูปประชานมันมีอยู่สองขันขันละสี่ขันละสี่สี่แบบนนเนี่ยกิตเนี่ยมีอยู่ในนี้แหละพิเศษ ทำจิตของตนให้หมดจดเป็นระดับระดับไปนับจต่โสดาสกิทานาคานหันาหาเป็นขั้นๆไปโสดากับสกิทาทำลายกิเลสราคะโทสะยังไม่ได้ต้องกลับมาเกิดในมนุษยชาลกนี้อีกเจ็ดชาติหนึ่งชาติหรือสองชาติอย่างน้อยอย่างมากเจ็ดชาติไม่เป็นชาติที่ ไม่เป็นชาติที่แปดมีพระ อ, อริยเจ้าถ้าอนณาคามีทาอะไรราคากับโทสะได้ลแล้วไม่ลงมาเกิดในโลกนี้ไม่เป็นเพศหญิงเพศชายแล้วเพราะไม่มีราคาก็มาอยู่ชั้นสุทธาวาสพรมพิเศษเป็นพรมพิเศษพรมเฉพาะของพระ อ, อริยเจ้า ห้าชั้นไม่เป็นเพศหญิงเพศชายเห็นไหมเป็นขั้นไปเลยเป็นอย่างนั้นอืมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นชั้นชั้นชั้นเลยแล้วก็บาลินิพพานชั้นนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นพระอรหันต์ไปเลยท่านบอกไว้อย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นนี่หละพุทธศาสนาอืไม่ต้อง ไม่ต้องไปเแสรงหาโรคใหม่อย่างไอไอนักวิทยาศาสตร์เขากําลังค้นหาอยู่นี่นีทั้งหลายทั้งหลายท่านไม่ท่านไม่มาค้นหาไอไอไหลักคํำส อ, สอนของพผู้เช่าไม่ค้นไม่ไม่คน้คนหาตัวเองเโอ้โหลงหลงเลยทีนี้ถ้าบําเพ็ญสมาธิได้ได้อภินญาทีนี้เรจะบอกใช่ไหม อภิญญารู้ไหมอมออภิญญาเนี่ยอ ม, มันเป็นคุณธรรมพิเศษเป็นความรู้พิเศษสามารถพิเศษเกิดจากสมาธิเอเกิดจากสมาธิเนี่ยเข้าฌานเอรูปฌานรูปฌปานสามขั้นให้เป็นภาษีเสร็จแล้วไม่ต้องพูดเลยสิเนี้ยเออ ม, มีอะไรบ้างสแสดงนทธิ์ดได้ หอเหินดดนาดินบินบนได้ทําได้หลากหลายสารพัดไปรูปคําพระพระุพะทธพระจันนี์ได้ท่านว่างนั้นนั่นเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องมาสร้างยานอวกาศขึ้นมาเออไปได้เลยแต่ไปแล้ว ไ, ไปได้ผู้เดียวเฉพาะเราเอาเพื่อนไปไม่ได้เออไปเล็ดมือเดียวเท่านั้นไนะ อ, อื่นี่พระจันทร์เนี่ยลัดมือตึ๊บเดียว เหมือนกับจิตของเรานี่แหละอืแล้วนึกแป๊บเดียวมันก็นถึงแล้วใช่ไหมเพราะอาทีา่ประจันไกลขนาดไหนมันนึกแป๊บเดียวขนาดความคิดนึกนึ ก, นก ไ, อ ไ, อไอ้แค่นี้นะแล้วถ้าได้อภิญญาจะขนาดไหนสินะให้เข้าใจสินะดิฉันนั่งเข้าชานปุ๊บเนี่ยมมีวิธีของเพราะว่าอไอ้อภิญญาเออเนี่ยมันเป็นไปได้อันนี้คุณ คุณพิเศษของกิตที่ฝึกมาได้อำนาจของสมาธิอืแต่ว่าทําลายกิเลสไม่ได้นะเออทําลายกิเลสนั้นต่างหากอันนั้นเป็นวิปัสสนาปัญญาพิเศษอันนี้เป็นเพียงแค่สมาธิเข้าใจได้นี้นะขั้นสมาธิเหตุได้ว่าศีลสมาธิปัญญาีปัญญาถึงข่ากิเลสได้สามขั้นตอนนี่แหละกุฏศสารสุดาให้พาคกันธรรม มาไปขอที่ไหนมาได้แล้วทำเอาเองอเคยได้ยินไหมืหอสีสี้ไพ่เขาบำเพ็ดมานับกลับนับกันไม่ได้ชาตินี้ได้มาเป็นมีบุญบำเพ็ดแล้วได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรอัตมาตจำไม่ได้จำชาติได้ เรได้ชาตินี้ก็มันได้ปัญญาอีกได้สําเร็จพระอาหารได้ปัญญาของเก่ากลับขึ้นมาอีกเพราเป็นนิสัยเออยังมีฤทธิ์อีกอยู่นะโอ้เออดำดิบมัมได้เลยสารพัดแต่ยังรู้ไม่ได้ดูไหมไอจินใดเคยรู้ไอจินไตไหมเรื่องของโลกวิบากของกรรมชาญนชาญ ว, วิสัย ดูไม่ชัดวิสัยที่อาจจะมาว่าที่ทว่ า, าอยู่นี้นะที่หัวเออดำดีบนินเป็นบุญบนบินบนหายตัวเนี่ยสแสงนี้แสดงนี้ได้อิสรียสารพัดอย่างเนี่นแหละชัดวิสัยพุทธวิสัยมีสี่อย่างไม่ได้จินใจเหตุนั้นภาษาวกองค์นี้ขนาดเป็นพระอรหันตะ์แล้วแล้วแสดงนิ้ได้ได้ปัญญาด้วยยังได้มาถามพระพุทธเจ้าอีกก็เลยมาทูลพระพุทธเจ้า ความเป็นมาตั้งแต่อดีตเคยเป็นลูซี่ ห, อห่อหุนดำดินมินมาได้ก็เลยนึกยังไงอยากไปเห็นว่าไอ้ไอมันเวิงทั้งหลายดาวลิบลาลิลลาลระยับอยู่เนี่ยมันอะไรมันไปไกลขนาดไหนโดยอยากรู้อยากเห็นเนื้อเข้าสารปุ๊บรัดมือเดียวไม่รู้ไปเท่าไหร่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 เขาบำเพ็ญสมาธิเนี่ยไปไม่กลับมาเลยแล้วจะไปไกล ข, ขนาดไหนสินยแล้วกลับมาได้ยังไงสินะนี่มาเกิดชาติใหม่เนี่เดินมาเป็นบระหามนมาเป็นสาวกของบูริเจ้านี่ก็มาดูนมาจโอ้ท่านเอ้ยมันเป็นอจินไตไม่ควรคิดไม่ใช่วิสัยของอออสาวก ไอ้บาลีมียานนั่นเห็นไหมแล้วดับสาวมุกเนี่ยไม่มีปัญญาจะไปะรู้เลยเออไม่มีปัญญาสามารถจะไปะรู้ได้ดูสิขนาดฟาละหันนั่นนะเรียกผูุ้ชนของเรานี่จะว่าอย่างไงเห็นนั้นจังว่าอจินใจไม่ควรคิดอืนี่นอะอาจจะมาจะยกอันนี้มาเป็นมาเป็ น, ปนอุทาหรณ์ให้เลี้วคิด เหตุนั้นเราจะเราจะไปสําคัญอะไรเขาเขาสร้างยานอวกาศขึ้นไปดูไปนี่โอ้ย uh, อยามาพูดเลยเออพระละหันไปรัดมือเดียวเนะี่ยความเร็วจะขนาดไหนอย่ามาพูดในยานอวกาศเนี่ยเอที่เขาสร้างขึ้นเดี๋มีไปขึ้นไปเนี่ยถ้าใครอยากรู้อยากเห็นคถ้าใครมีอยากเป็นก็ก็ภาวนาดูดีจะรู้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 อยากไปเห็นทําไมอย่างเนี้ยใช่ไหมล่ะอะของที่เราไปเห็นแล้วไปถึงแล้วอยากจะไปอีกไหมไม่อันนี้เปรียบเทียบนะเหตุ น, นั้นผููเป็นพระหลานทั้งหลายเพราะว่าของมูลนั้นมันไม่ใช่มันมันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อสันติอืมความสงบไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทาวิราคะวิมุตติสุทธิสันตินิพพานคนละมุมโลกกันเลยทีนี้ย ให้เข้าใจสิเนี่นั่นน่ะหลักคุณธรรมศาสนามันจเป็นอย่างนั้นเออเมื่อไปรู้จริงๆแล้ว mm. เขาไม่อยากไป mm. เขาไม่อยากรู้อยากเห็นเรื่องๆอย่างนั้นอืม mm. นั่นเห็นไหมพู้สิ้นอาชวะง่ายๆล่ะผู้สินาาส้นอาชวะไม่อยากได้บุญเขาทําบุญไม่เป็นบุญเขาใจ น, นั่นที่นี่นะเห็นเนี่พระหลานเนี่ยทำบุญไม่บุญทําบาปไม่เป็นบาปเพราะจิตมันไม่มีกิเลส จะให้มีเป็นจะให้มีให้เป็นอย่างนั้นนีว่าให้ฟังนี่นั่นนะ่ะให้พากันทําอมเอาชีวิตแรกเป็นเดิมพันกันเลยถึงได้ถ้าง่าน่ะจะค่าแค่สงบแค่ยังปราบมันไม่ได้นะักเลีนี่นะเอให้มันแค่สงบเป็นสมาธิเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่ไหวแล้วหนักแล้วแต่บัดนั้นต้องเอาชีวิตแรกถ้าไม่ชีวิตแรกไ ม, ไม่ไม่ได้อืม ทีนี้จะถามคืนนี่นะกิเลสนี่มันเก่งไหมนะกิเลสอยู่ในใจของเราเนี่ยเราดูทีบ้านเมืองของเราด้วยสอยู่เนะทั้งโลกเนี่ยที่มันเป็นมาเป็นมาแล้วแล้วจะเป็นไปอีกนะมีเจ้าผู้เดียวเนี่ยหลักพุทธศาสนาอืเห็นนัหนโลภะมูลโทสโลไอไอไอไอโมหามูลโลภามูลโทสะมูลโมหามูลมันเป็นรากเหง้าของอกุศล อาุส่นทั้งหลายบาป ท, ทั้งหลายที่จะเกิดที่จะเกิดมีเพราะไอ้นี้เหตุนั้นพระย่าจึงเอาศีลมาเออหลักศีลสมาธิปัญญาคู่เป็นหมวดสามเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาโลภะโทสะโมหะทวารสามก็กายวาจาใจเห็นไหมออกมาเลยหมวดสามทั้งนั้นเลยอแล้วหลักไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ขุส่นอะไุส่เนี่ยมัน กุศลธรรมาอกุศลธรรมะบุญญากรรมธมะออกมาเป็นสามอีกน ะ, ะบาปบุญไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญหมายถึงพันนิพันธ์นั่นนี่ไหมออกมาเป็นคู่คู่คู่คูคู่คคคละสามเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยอม่อยู่กับเรานี่แล้วเอเราจะทําให้มีไหมที่นี่เห็นนั้นอยู่นี้หมดใครจะมาทำอะไรอะไ ร, ะไรบ้านเมืองจะเสียหายอะไรอะไ ร, ะไรพระเจ้าพระสงฆ์จะว ป, ปวดปั่นปวนอะไรทั้งนั้นเงยแอนนั่นไปเรื่องกิเลสของคน เขาใจหน้าที่นี่นะเออเ อ, อืมนวังข้าัตุสาสตร์อัตมา ท, ท, ที่ว่าให้ฟังเออคําสอนของพระเจ้าแปดมื่นสี่วันพระธรรมขันธนะ์นั่นอืมสูตะสูตะไคยะวยาการณะเออคาถาอุทานอิติพุตธะกับภููธรรมะทันไล่ไปอันนั้นเป็นปริยัติ อ, อืมคําสอนยังดีอยู่ยังดีบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าใคร ถ้าใครปฏิบัติเข้าใจนะมันอยู่กับการกระทําของคนนี่ให้สาวโพธให้รวนให้รู้อย่างนั้นแก็ถ้าเราปรงุงรังกรรมมันไม่ไมีปัญหาเห็นไหมท่านจะลองให้พระเจ้าสอนให้ให้ให้เจริญในอภินาถปฏิเวกขนานนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความจิบไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีจากพผากจากของรักของชอบใจเรามีกรรมเป็นเรนเกิดมีกรรมเป็นประพันธ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนี่นีจับหลักตัวกรรมนี้ขึ้นมามันเป็นกรรมของใครข้อมัน ก็ทํากรรมมาแล้วเขาต้องสวยกรรมเมื่อเขาทําไม่ดีเนี่ยนะที่เรารู้กันอยู่ดีเนะนี่ยนี่ถ้าในจับหลักกรรมตัวนี้ไว้เนีถ้าพิจารณากรรมตัวนี้แล้วทีเนี่ยมันจะวางเฉยเข้าใจนาทีนี้นะเออเรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออหลักเมตตาก็เหมือนกันเห็นไหมเมตตาคุณาบุตรดาอุเบกขา เ, ออเห็นไหต้องเจริญอุเบกขาเมื่อเจริญอุเบกขาแล้วนะมันจะไม่แช่งทำคนอื่นมันจะไม่เสียใจ แล้วก็วางเฉยนันนี้น็นไหมก็ไม่เป็นทุกข์อืมก็ปรุงลงกรรมความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเมื่อทำมาแล้วก็ต้องสวยกรรมอย่างนั้นมาดูว่าใครตัวมันเออปัจจัดจังจพอใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเออมีชาวพุดธไม่รู้หนุยเนี่ยไม่รู้แบบว่าโอ้ศาสนาเสื่อม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 เรื่องอ่ยว่าทําใครทํามันอืมทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ทีนี้ระบบการบริาหารเนี่ยพระพุทธเจ้า ว, วางหลักเอาไวไ้ว่าบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอบุบาสิกาตั้งขึ้นมาไว้เอาธรรมบ้างของพระเจ้าคำสอนเป็นตัวตั้งให้จับหลักยึดหลักพระรธรรมวินัยคำยสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นแนวทาปฏิบัติเป็นบริษัท รู้ไหมบริษัทที่เขาว่าบริษัทบริษัทอยู่นี่มันเป็นภาษาบาลีเอามาจากภาษาบาลีของคำสอนของพระเจ้าได้หละบริษัทเนี่ยนะบริษัทก็รู้อยู่เรว่ามารวมรวมรวมกลุ่มให้ดูแลรักษากันพิสูจเป็นหน่วยคอมมานโดหน่วยบุเบิกหน่วยกล้าตาออไม่ต้องวิลูกมีเมียเนาะทิ้งหมดเลยเ เป็นหน่วยเป็นหน่วยคอมบอนโดเดี๋ยวผมว่าภาษากันเลเออมาเจาอะไรเห็นไหเห็นคุบาอาจารย์ไหมประวัติคุบาอาจารย์เนาะเออก็ใจไหมเอออย่ามาพูดเลยหน่วยคอมนโดเขาที่เขาว่าอยู่สู้ไม่ได้เลยเออเห็นไว้นะทิ้งหมดเลยสมบัติเออไม่เอาเลสมบัติบุกเบิกเออใช่ไหล่ะแล้วก็สั่งสอนหมู่ทีนออุบาสกอุบาสอุบาสกอุบาสิกานี่ พวกหมูนี้ส่งสเสบียงเป็นผู้ส่งสเสบียงนี่แหละบริษัททั้งสี่เนะให้เข้าใจเก้าอี้สีขาที่อยู่ได้นท่านั้นะเตียงสีขาก็อยู่ได้เสาบ้านเสาเรือนสีขาอยู่ได้สี่เสาอยู่ได้ เ, เดี๋ยวนี้อย่าลืมนะภิกษุที่ไม่มีมเอดมีแล้วนะมีก็ไม่รู้มีแบบไหนละมีสามขาก็อยู่ได้นะรถสามล้อไปได้เนาะ แนะ่หนะเห็นไหมห อ, อย่าลืมนะที่นีนะถ้าขาดอุบาสกวสิกาผู้สนับสนุนนี่นะส่งสเสบียงนะ่ะเสร็จเหมือนกันไม่มีผู้ปกป้องคุ้มครอ ง, องนี่เห็นไหมเด็กําลังระสัมละสายอบ้านเมืองกําลังละสายเห็นไหมศาสนากําลังละสัมรมสะสราย น, นี่พวกพวกเราสําหรับพวกเราเป็นอุบาสกบวิศกานี่ยจะทํำยังไง พี่เราทำอยู่ในนี้ประกันได้ไหมปะกันความมันคงได้ไหมอุปถัมแค่นี้เนี่ยปะกันได้ไหมนั่นอ่ะอุปสมุปการในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงพระราชาอือหมายถึงรัฐบาลผู้มีอำนาจสูงสุดอืปกป้อง อาณาจักรเออป็นรักษารัทอันนี้เอาไว้เพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็อยู่ในมวลนี้อพิกษูทัท้งหลายก็อยู่ในมวลนี้เออมันไม่ใช่หน่วยกรัสไม่ใช่หนือก็ตา ย, ตาย เ, เ, เ, เ, เหมือนอย่างโลกคณะทีพร ะ, ะเจ้าเสียไหล่ะเออศีกี่เท่าไหร่ไม่ใช่200ยสองรอยยี่สิข้อนะ เยอะกว่านั้นอีกปาณาจิปาตาข้อเดียวก็อยู่หมัดแล้ว อ, อ, อุบาสกอุบาสิกานี่ก็เหมือนกันะนี่เห็นมับรับไปอุบาสกีในปาณาจิปาตาโอ๊ยอยู่หมัดเลยเนสู้เขาไม่ได้แล้วทีเนี่ยถูกไหมล่ะเงื่อนจกำกับอาวุธจะไปะจับอาวุธสู้เขาได้ไหมไม่มีทางเหตุนั้นถี่ว่าพระพุทธเจ้ า, จาราวางหลักพุทธศาสนาไว้เป็นบริษัทนธะ์ีเนี่ยไม่มีลัทธิสมัยไหนไอ้ไม่ริไม่มีลัทธิใดไอ้ไอ้ไอ้าศาสนาใดเลยปฏิบัติทำอย่างนี้ ว่างหลักของศาสนาเนี่ยเหตุนั้นให้ตระหนักตัวนี้สิเนี่ยพวกเรามาันไม่ค่อยพูดกันเออเหตุนั้นให้ไปใทยคำไมมีความสามารถไปอยู่ในทางรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่เป็นงั้นแล้วล่ะถ้ารัฐบาลพังเสิ้นหมดเลยนี่เห็นในเป็นอยู่ในนั้นะยอมรับไปล่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนไหนเลยไม่มีใครเลย ท, ที่ที่จะไปเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนาไอ้ชาวพุทธของเรานั่งอยู่ในรัฐบาลนั่นเห็นไหม คนจะเขาทำคนที่เขาจะมาทำลายเนี่ยเ ข, ข้ามาอยู่ในรัฐบาลนั่นทุกยุคยุคสมัยอยู่ในอินเดียเขาเหมืนกันเขามาเป็นรัฐบาลใะเองกูเข้าไปบริหารจัดการมันเองเนี่ยอยู่ได้ไหมล่ะเขามาปกครองเราเนี่ยนี่เขาตระหนักไม่ดีเลยเนี่ยเพนนั่นแหละที่นี่ให้เราไปส่งเสริมหรือจะสามารถทําอะไรก็ได้ผู้บริหารเนยประเทศชาติ เอนะให้คนพวกมูนั่นเขามีอำนาจแล้วเขาจะปกป้องคุ้มครองดูเลยนะพุทธศา ส, น, สนาประชาส่วนทั้งหลายเพราะศาสนาคือคนเอนะรวมศูนย์อยู่ที่คนอยู่ที่คนหมดเอนะถ้าคนไม่ดีแล้วก็เสร็จถ้าปกครองคนได้ก็เสร็จเลยใช่ไหมไม่ต้องเลยอันนี้มูนี้ประกันไม่ได้เลยโบสถ์วิหารสาราลวงลานมันเป็นมันเป็นศาสนาวัตถุไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปใช่ไหนะถูกไหมล่ะ นูนเขามาตัดสเสบียงนยู่นะสินะกรรมเสบียงมันไว้เลยสินะี่ยมันไม่มีสเสบียงหรงอว่าไงมันไม่มีสเสบียงสูงเสียไอ่ไอ่ไอ่ไปบันเป็นกุศลก็ตายหมดอสินะถูกไหมล่ะนั่นนะ่ะนี่วิธีการตัดอำนาจไปเนี่ยไม่ให้มันมีอํานาจสิเนี่นะน่ะอืมอานาจเป็นใหญ่ในโลกบอกไว้หมดเลยสุภาษิตอ่ะเห็นไหมเขาก็เลยมาเข้ามาอยู่มามาอยู่ในระบบการบริหารสินะ กำอำนาจไว้หมดเลยหมดสิดทธิ์เลยเศรษฐกิจสเสบียงกํำไม่หมดเลยธนาคารอืเห็นไหยเนี่ยเห็นไห ม, ม, หไหมทหํานาไม่ได้อเกษตรทําอะไรยากเลยเพราะเขาทำเสเบียงแล้วเมื่อเสเบียงไม่มีแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยน่ ะ, นะเราก็ปฏิบัติาศาสนกิจไม่ได้นะ่ะอุปธรรมไม่ได้เลยตายหมดทั้งฝูงเสร็จแล้ว นี่ไม่ยากเลยนะเออนี่วิธีการเขาตัดยุกทุกยุคสมัยเลยนี่นี่นีาตัดร่อนไรเลยเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กฎไม้ก็ไม่ให้แล้วก็ไม่ให้ตัดเอานี่ไม่ใส่ทั้งหมดเลยนี่ลืมลืมก็ดนำเบื้องต้นเลยลืมถามลือคิดไม่ถึงเนี่ยจะถามว่าใครไม่มีนี่เพราะนี่ไม่ใช่หมดเลยนี่กลอคูสโซโลกอทำลายไม่ยากเขาไม่ไ้ลงยิงปืนพกๆเลย นะาะอวบายยมุกทั้งหลายทั้งหมดเลยอยู่ในจอหนึ่งให้มึงเขี่ยเล่นจิ้มเล่นอยู่เนี่ย น, นะสรารพัดเลยระบบที่จัดสรรลงตัวอยู่บนนี้อยู่ในระบบที่นิ่แผนอะไรอยู่ที่ททบริหารประเทศเอยู่นี่ทั้งนั้นเลยกี่ฬมกีฬาทั้งนั้นเลยเอวบายยมุกอะ ม, มอมเลยใชเนี่ยเสร็จจะไม่ยินดีรักษาศีลไหมใส่นเนะ่ยนะไอ้พวกเล่นกีฬาเชยวเยี่ยวเยี่ ย, า ย, ายาสรารพัดอยู่เนีน่ใช่ไหมเนี่ยเขาจะยอมมาเขายอมมาเปิรักษาศินใช่ไหมนะจะเลยเมตตาภาณามัย นั่นน่ ะ, ะความมั่นคงของประเทศปากท้องจะรู้ไหมไม่ล่ะอบายยมุคคือความผิบหัยใช่ไหมอบายคือปากทางแห่งความผิบหายเป็นธรรมะพื้นฐานเลยธรรมนูญของชีวิตเออยู่ในหมวดขี้หิบปฏิบัตินั่นเสร็จแล้วเขามานั่งอยู่ในในนั่งอยู่นั่งอยู่ในระบบการบริหารประเทศนั่นะเขาแม่เรียนไปศึกษาในพุทธศาสนา เขาอ้างว่าศาสนากับการเมืองการศึกษาแยกกันเสร็จหมดเลยทีนี้คนคนเดียวนี่มันสมสิทอยู่นี่หมดแล้วไปแยกที่ไหนออกถูกไมไว้ล ะ, ะนั่นเห็นไหมก็เสร็จเลยทีนะ้ลูกหลานของเรานั่นน่ะเขามานั่งบริหารจัดการอยู่เลไม่ยากเลยไม่ต้องยิงปืนพะโป้งนี่วิธีการ นั่นเห็นไหมเอาอะไรมาใช่สร้างระบบขึ้นมาอะไรมันพปศัตรูของของศีลธรรมในพุทธศาสนาก็อบายยมุกก็เปิดไว้เลยทีเนี่ยสารพัดให้มันเอือ้อเออกฎหมายนั่นเห็นไหมเอาไปไว้แผนเลยแผนหลักเลยอย่างเงี้ยเยไม่ต้องพูดเลยทเนี่ยสู้ตายเป็นฝูงเลยทเนี่ยยอมรับไหม ไม่ยากนี่แหละวิธีเออเอาใบป า, นะากทางแห่งความชี้หมายผนะูเจ้าให้เรามาละมาละาเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อพูดแล้วน่ที่พูดผ่านมาแล้วใช่ไหมอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรลศีลใช่ไมรูปเสียงบินรถสัมผัสโหทัพลุมห้าอยานะ่างเยเต็มไปหมดแหละอยู่ในจอเนี่ยนะอันนี้แหละบาปจะเกิดก็เกิดึ้นที่นี่เนยะศีลจะรักษ า, าไม่ม่ได้สมาธิจะไม่ตั้งมั่น ปัญญาจะไม่เกิด เ, เพราะไอหมูนี้เข้าใจสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยออนี่เนี่ยเขาว่าเปิดเสรีอยู่เนี่ยเปิดสมาคมาเซียนนี่อะไรจะเกิดขึ้นหนักนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่แค่นี้นะเออน่าใจหายเลยอัตมา ก, ก็อยากพูดนี่นี่พวกเราเนี่ยเอาเอ า, เอาไหวไหมอื นี่หละเสียวเหตุนั้นทีนี้นะถ้าปากท้องมันไม่อิ่มสบียงมันไม่มีเราจะมารักษาศีลได้ไหมจะมาภาวนาได้ไหมยาบยาบพามาบินทาบาทจะมีอาหารใส่บาทให้พระไหมลูกหลานของเราจะเอาไปบวชได้ไหม นุ่นมันสั้นเข่าสั้นเข้าสั้นเข้าเลยทีเนี่ยเออไปบวชแล้วเราจะสามารถไปอุเบกษ์ไหมบวชแล้วมันจะอยู่ได้ไหมโอ้หลากหลายสิเนี้ยเพราะอาบายยมุกมันเต็มไปหมดนุ่นอู้หนักนะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนไม่หมดทียมพ่อไม่หมดแล้วทิฏฐธรรมมิกระทบประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันคาถาเสี้ยที อุอาเกาสะเศรษฐกิจพอเพยยียงของนหลวงสัมปรายกยกถระประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าทำสี่ข้อบอกไว้หมดพื้นฐาน อ, อการทำมาหากินเพื่อเอื้อกันถ้าทำสี่ข้อรวมแล้วเป็นแปดข้อพื้นฐานสัมปรายยกกรทไอ้ไอ้ทิฏฐาทำมิกถะประโยชน์กับสัมปรายยกถรประโยชน์ไอ้ไอ้กับทิฏฐาทำมิกประโยชน์ อย่างละสี่ข้อเป็น8ปดข้อเนี่ยเอื้อกันอยู่เงี่ยเกษตรเนี่ ย, ยทํามาหากินอยู่ได้ศีลธรรมก็เอื้อกันปฏิบัติได้เลยจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาได้อุปธรรมเห็นไหมของเราไม่ต้องไปขอรัฐบาลหลักพุทธศาสนาเนี่ยบ้านนอกขอคาเมก็เหมือนกันเราทําได้เลยเงี้ สร้างวัดสร้างวาเนาะ อ, อ, อัตมาบ้านเล็กๆอยู่น่นนะ่ะสามวัดเขาบวชธมกันได้ยังไงนี่แหละหลักพุทธศาสนาถ้าเกิดสเสบียงมันอะไรขึ้นมานะ่ะเดี๋ยวนี้หมดเลยขายที่ดินปลูกยางปลูกข้าวไม่ได้เสียแล้วใีนะ่เออขาดทุน เอาอะไรลหละสิเนี่ยปลูกอ้อยให้โรงงานปลูกปาล์มปลูกยางราคายางเป็นยังไงบริษัทข้ามชาติท้งนั้นเขามาซื้อนี่ขอว่าให้ฟังอย่ามองข้ามนะเอออย่ามองข้ามนะนี่เรานั่งได้อยู่เนี่ยเพราะกินมื้อเช้านี่กินข้าวในะหมดกี่เม็ด เห็นน้ำมันาจจะมาอะไรเกิดนําก่อนไว้แล้วเวลานิยามห้าอุตุนิยามพีชะพืชพันธัญญาหารอืมเอื้อกันไปหมดเลยใช่ไหมคำมนิยามจิตนิยามธรรมนิยามอนิจังทุกขังกนตาเนี่ยไหมเอื้อกันไปหมดเลยอืสัมพันธ์กันไปหมดเลยโอ้ธรรมะของมุขญาณนี่อือัศจรรย์ที่ครอบไปหมดเลยเออมนุษย์จะเป็นอะไรเนี่ยอยู่นี้เนี่ยหมด ดีไล้ชั่วดีกไม่ได้เลยครอบมาไว้หมดปฏิเสธไม่ได้เลยอกุศลธรรมาอคุศลธรรมาปยาการารมาเออสามข้อเนี่ยดีกไม่ได้เลยเป็นลราดับระดับไปเลยให็นไหมละ่ะเหตุนั่นลนะ่ะเก่งนะอย่ามาทําหล่อแหลกไม่ได้เลยมันอยู่นี่แหละผู้จะทําลายเราก็อยู่นี่แหละโลภะทุศามหะน เพราะเราหลงเสียเองเพราะเราอยากเสียเองเพราะเราเครียดเสียเองถูกไหมนั่นแหะศัตรูมีอยู่ในนี้แล้วเขาก็เหยื่อมาให้เอาเชื้อมาให้เห็นนั้นกิเลสกรรมโลภะโทสะโมหะวัตถุกา ร, รมรูปเสียงจิตรภาษาเห็นไหมเขาอันนี้เชื่อเพลิงมาให้เห็นไหมเขาเปิดเสรีเนะี่ยเปิดไม่ได้ศาสนาพุทธนี่ถ้าเปิดเสรีตายหมดอยู่ที่ไันก็ตายหมด ไม่มีเหลือมันตายมาหลายประเทศแล้วเพราะเปิดเสรีอืถูกหรือไม่ถูกเออไหลเข้ามาสารพัดเนี้ยอยู่ไม่ได้เลย น, นสั่นคลอนเลยนะเขาจะทำลายเราเขาก็อาศัยของมูนันเสร็จแล้วไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครทำลายลเรานี่แหละทำลายเราเอง จะเอาจริงๆแล้วมันสักเรานี่ทำลายตัวเองเดี๋ยวจะยกเดี๋ยวยกไอไอไอพุทธวิญญาณเนี่ยไม่มีใครทำลายพุทธศาสนาก็พุทธบริษัทนี่ทำลายเองจริงพวกเราเนี่ยทำลายเอ ง, งกเ็ เ, งเข้าหลักกรรมไม่มีใครทำดีทาชั่วให้ใครจเจ้าตัวนี่แหละทำเอาเองชัด แล้วจะทํายังไงสเนี้ยอืมเราต้งจับหลักศีลสมาธิปัญญาไว้ไม่ใช่ธรรมะแคบแคบเท่นี้นะเราทำาแคบแคบยิ่งไม่ได้หมดถ้าเราอยู่ประเทศนี้แล้วต้องรักษาประเทศไว้อืมนวนจะรักษาสแค่นี้ไม่พอนั่นเห็นไหมมีชาพุษต์ไปนั่งอยู่ในสภาหไหมเราพึ่งเขาได้ไหมนั่นเห็นไหมอือเน้ น, นอุบาสกอุบาสิกา ผู้บริหารประเทศพระราชาผู้มีอำนาจเห็นไหมตั้งไหมนะั่นลัทธศาสนานี่เรามองข้ามตัวนี้แหละ น, ะนี่สีลังกาเนี่ยเขาเรียนจบมาเออเขาเหลือแตนะ่นี่นนะ้อยนั่นนั่นเหลือเนีนน้อยเลยโปดุเกรเข้ามาขยี้โรมันคาทอลิกเข้าไปขยี้ขยี้เหลือเยนยน้อยเกือบแล้วพระหมดเกลี้ยงเลยไม่มี ก็มณิมนเอาที่วัดไหนบ้างก็เห็นไหมไหนประวัติก็มณิมนตเอาอายุธยาส่งไปพระเก้าองค์ไปฟื้นฟูขึ้นมาเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นนิกายอันนี้ไอ้สยามนิกายถ้าใครไปสศรีลังกาไปทัวร์ศรีลังกาเขาจะพาไปอืมีมรอุบาลีเป็นหัวหน้าพาไปไปฟื้นฟูบวชสามเณรสระังกะระขึ้นมาก่อนมีสามเณรกะสระังกะระอายุห้าสิบปี เป็นสามเณรไม่มีพระบวชหมดเลยศีลังกาเขาขายดเียวขนาดพระเกี้ยวแก้ยวยังเอามาโขลกเสีครกอืมเรียกไอ้ชาวพูดธศีลังกายมาดูอืมระดับไอ้ไหนเนี่ะมาดูมาดูเท่เนี่ยนี่หรือของดีของพระสมไอ้พระเกี้ยวแก้วของพระสมณะโคดมเอามาโขลกเสียคร ก, ครกแล้วอบะเทลงทะเลนู่นเน่ะเขาทำอ่ะ แต่ว่าเขาก็ไม่งู๋เนาะเขาก็เอาของปลอมของจำลองมาให้อถึงยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้ศีลังกายเขาผดเด็ดสุดล้นทดเยียมพร้อมหมดเลยแล้วทรมณุนพร้อก็บปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอะไรเลยเขาเพียบอขนาดพระยังมาเป็นผู้แทนเลยเขามานั่งอยู่ในสภาเลยเพื่อปกป้องคุ้มครองอันนั้นของเขานะนี้ว่าให้ฟังให้ได้ความรู้ เวันนี้ก็อธิบายหลากหลายสารพัดได้ความรู้เนาะเออเห็นนั่นชาพูดทั้งหลายสติสัมปชัญญะสติปัญญานี่อันนี้แหละเออเดี๋ยวนี้ทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่บริบูรณ์สำหรับเราศนะีลก็ไม่รักษาโกงกินบ้านกินเมืองถูกไหม เออบ้านเมืองดับศูนย์ใช่ไหมทานก็ไม่แบ่งปันก็ไม่แบ่งปันนั่นแหละถึงโกงถูกไหมนี่เห็นไหมนั่นปัญญาก็ไม่มีรักษาประเทศชาติดีนี่ก็หมดเลยเออบริษทัทข้ามชาติมากรรมกรรมเปิดสมคาคมมาเสี้ยนนี่จะหมดเกี้ยงเลยจะไม่มีเลยทราบพูดจะไม่มีอะไรเลยเขาทิ้งเขาทิ้งเอาให้เราคืออะไรนี่นี่แล้วจะแถบมนที่นี่นะ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 สุกเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภคกลับกันอีกทุกเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภคกลับกันอีกเป็นไปได้ยังไงยอมรับไห ม, ม, มสุกเพราะไม่มีหนี้เกิดอะไรขึ้นเบิดอะไรขึ้นอวดโถเขาเจาะลงหัวใจเลยเอเขาเจาะลงหัวใจเลยสาวพุธเมื่ออจะประมาทนะ เขาเจาะลงหัวใจเลยสุกเพราะไอ้สุกเพราะไม่มีนี่กราบกันเนี่ย ท, ทุกเพราะมีนี่นั่นเห็นไหมไม่ได้มีนี่ธรรมดานะยุคนี้สมัยนี้ตั้งธนาคารหลอกไว้แล้วเอายกไปธนาคารหมดเลยสมบัติไม่มีอะไรเลยนั่นเห็นไหมสมัยใหม่เนี่ข้อสุดท้ายสามคัญเลยนะสุก เพราะการงานปราศจากโทษไม่มีโทษนี่ข้อนี้ยอดเลยเนะี่พระพุทธเจ้าทำไมถึงเก่งไวถูกนะักไม่ผิดแม้แต่เกดียวกลับกันอีกเนะี่ยทุกเพราะการงานมีโทษว่าโถเดีย๋ยนี้สาวพุทธไม่รู้ว่าหางานอะไรมาทาทุ ก, กันหมดเลยนี่ข้อนี้ข้ อ, ขอเดียวมันจะโกยมาหมดเลยนะเทั้งนี่ทั้งอะไรอะไ ร, อ, ะไรอีกสามข้อใช่ไหม โอ้โหเห็นไหมมีแถมให้นะแถมธรรมะให้จะเป็นข้อคิดจะไม่ดีๆนะเหต น, นั้นแสดงพระธรรมเทศนามาวันนี้หลากหลายแนวคิดโอโ้โหไม่เคยได้ยินเลยใช่หให้อไปคิดแล้วให้ไปคุยกันอย่าทะเลาะกันนะนการยยง ก, กันทะเลาะกันในหมู่ผู้รงกษัตริย์นักการเมืองนักศึกษาประชาชนอจาจ้งเงินมากก็ต้องยม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 เดี๋ยวจะฝากหนังสือมาให้เอาไว้เอาม า, าไว้ในหัวสมุดเนี่ยใหอ่านกันเมื่อเชา้านี้ลืมจูกจีบจีบมาแล้วก็ได้ลืมหนังสือหลากหลายนี้อยากจะให้ไปส่งที่สาราลรงศิลปแล้วจะฝากให้หนังสือมามีใครจะไปไหมความจริงมันมีคนจะมันความจริงมันมีคนมันมีคนจะมารับแต่ยังเ น, นี่ยเนี่ยเนี่ยเขมาม่รับแล้วอยถ้าไปได้ก็ดีอืมหนังสือมีอยู่นั้นหลากหลายล เ, เหตุนั้นอสิทธมัถุสิทธมัทธุสิทธามัท ธ, ทธุอีดังพลังขอจงสําเร็จขอจงสําเร็จตามความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาดังประสงค์จํานงหมายทั่วหน้ากันเถินเดี๋ยวขอการขอการถวายพระไตหลวงพ่อนะครับเราตั้งนโมทามจบนะครับ น a โมตัสสะพากขาวโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะวโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพาโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมายังพันเตนนเติจีวาราณิจะพราว่าพ่าว่าเอาหัวใจมันเลยนะอ่ะนืโมแล้วเนาะสุทินนางวตเมทานาง อาสวคคยาวหังโหตูอาสวคยาหังโหตูนาคเตกาเลนาคเตกาเนุติยัมปีนุติยัมปสุธินังวตเมทานังสุินังวตเมทานังอาสวัคคยาวหังโหตูอาสวคยาหังโหตนาคเตกานาคเตกาตติยัมปี สุธินังวัะเมทานังอาสวัคคยาวหังโหตูอาสวคคายาวหังโหตูอนาคาเตกาเล้าปเจ้าทั้งหลายยินดีในผลทานการให้ของขอจงได้สำเร็จอาสวัคไข สิ้นไ ป, ไปแห่งเครื่องดองสันดา ล, ล, ดดาลถึงพานิพานในอนาคตาการเบื้องหน้าโ น, น่นเถินเอาของแท้เลยของปลอมไม่เอาเนาะเอาของแท้แท้เลยจำไวนะ้นะเวลาไปสวายทานนิดๆหน่อยๆหน่อย ให้ให้เราอามูลนีขึ้นมาถึงถูกต้องสาธุดยเนอสาธุดยเออายุกยกทั้งหมดเด้อวบเรยเออสาธุสาธุสาธุสาธุอายมาสาธุสาธุสาธุสาธุไม่ได้บุญเยอะนะมันเป็นอามิตรบูชา อยากได้เยอะให้ไปรักษาศีลอยากได้เยอะกว่าศีลอีกให้ไปภาวนาเอาไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เสืึงเดียวข่าโสหุ้ยไม่มีเลยเออได้กำไรร้านเปร์เซ็นถูกไหมเออถูกไหมถูกไหมถ้าถูกก็ไปทำเองเถอะเอเอนั่นแหละมันง่ายไปนั้นแหละเราพุทธศาสนานะวางโนวาง สาธุสาธุพอรู้แล้วเนาะว่าอยากได้เยอะไปรักษาศีลไปภาวนาเนาะไม่ลงทุนไม่ลงทุนแม่ไดเสลึงเดียวอย่างงั้นแะได้เท่าไหร่เป็นคนไรหมดเลยเนาะเห็นไหมอยากได้ไหมล่ะอยากได้ไหมมีแต่ความอยากแล้วไม่ทำเอาไม่ได้นะอยากมันเป็นกิเลสอีกแล้วไม่ได้นะ สาธุสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีจากนี้ไปสุดท้ายเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมคำว่าธรรมเนียมคือให้ผล พุทธศาสนาแท้ๆจริงนั้นไม่มีพรโดยจะบอกอาจะมาประเทศอยู่ที่ไหนอะไยังไงพูดจะบอกชาพูดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีพรพุทธศาสนานี้ไม่มีพรพรนี้เป็นลทัทธิของศาสนาอื่นเพราะว่าพุทธศาสนามันเกิดมาท่ามกลางมวลชนหลากหลายศาสนาหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ในเมืองอินเดียก็รู้เลยว่ามันขนาดไหนนั่นแหละ เ, ออเขามีธรรมเนียมวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้รัฐทิ่เขาเขาเป็นอย่างนั้เออเเ น, น, นเขาบูชาแล้วเขาขอขอจากพระเจ้าขอพรจากพระเจ้าอยากได้อย่างนั้นอย่างน้นเหตุนั้นเขาคือมีการเส้นการสวง เ, ออเห็นไหมที่ที่ที่พูดให้ฟังไม่มีผู้แต่งนิยามห้า ไม่มีผู้แต่งไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีเจ้าของเห็นไหมนี่นี่นี่ไหมแล้วที่ศาสนาอื่นเขาว่ามันมีผู้แต่งผู้สร้างมีผู้บรรดาลมีเจ้าของมีมุมุดพระเจ้าสร้างขึ้นมาทั้งนั้นสารพัดใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเขาจึงเส้นสวงอะไรสารพัดเขาฆ่าถึงคนนึงเส้นพระเจ้าเออเข้าใจในที่นี่นะทั้งนั้นเลยทูบเทียนเห็นไหมและที่บูชาไฟเราก็ประทัดแบบเข้ามาเห็นไหมทูบเทียน เออเอามาแค่นี้เออเอาเอามาเอามาแค่นี้เดี๋ยวนี้รู้ไหมมนลภาวะจุดเยอะๆเขาจะโบกอยู่ไหมนี่ลหละพุทธศาสนาเป็นหลักกรรมเห็นไหมพุทธวนิยามห้าใช่ไหมหลักกรรมมณยามกรรมะนิยามมาวิริยวาทีเข้าใจะนะ ว่าดีที่ว่าจาเนี่ยให้เพียรพยายามกระทาให้เกิดให้มีเออถ้าอยากได้ให้ทำเอาหนีอชัดนาทีนี่เนาะเออชัดนาทีนี่เนาะนี่หลักแท้ๆเอาง่ายๆเนาะเห็นไหมอาตมาให้ไปรักษาศีลไช่เช้าเย็นให้ไปรักษาศีลใช่ไหมเออแล้วก็ให้แผ่เมตตาใช่ไหมอะไรใช่ไหมนั่นล่ะไม่ต้องให้พรไม่ต้องไปรับพรใครถูกไหมให้ภาวนา ภาวนาแล้วมันได้เองได้เดี๋ยวนี้เลยอากาลรีโกไม่ประกอบด้วยการเวลาทั้งนั้นเออไม่มีสถานที่เกิดขึ้นที่นี่หมดถ้าทําแล้วได้เลยหนชัดไหมไม่ต้องไปขอพรใครนี่หลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเมื่อเราจะหนักอย่างนี้แล้วจะไม่สงสัยกลังขากลังรีอะไรเลยให้ทำทำทำทำท ำ, ทำเห็นไหมที่มันเกิดอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่นี้เนะี่ยทำกันทั้งนั้นเลยเออ ไม่พระเจ้าตนไหนมาหยิบยื่นให้เลยเนี่ถูกไหมทั้งดีทั้งเลวอะไรทั้งนั้นแตเราทำเอาทั้งนั้นแหละถูกไหมล่ะเออเนี่ยให้จับหลักตรงนี้ไว้ดีสิเนี่ยเห็นไหเรามีกรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นปอบปั้นมีกรมเป็นที่เบืงอศัยทำไมตีตีสวดอยู่ไหนอภินหารปฏเวกขณะนั่นน่ะเออนี่นียเ่เ่ชัดนนล้สิเนาะเนาะทำกันจะทาเป็นพิธีเนาะอาตั้งใจสิเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้ แเปตชนนั uh ่นบรุรุเจ้าการไม่เป็นด้วเดออุตสาแล้วยะถาวรวาาปูราปริปูเรนติสากะลังเอวเมวอิโตรินนางเปตานางอุปกะปะเตอจิตังปะิตังทุม um ังขิปเมวสมิจจตุสเบปูเรนตูสังกปา เจนโนปนณรสโญยะธามณิโชติุรัโญยะธาสับบีติโยวัจันตุสัปปโรโกวินัสสตุมาเตภวัตตันตระโยสุเคตีกายุโกภะวะอภิวาทานาซีบริษณีเจงวุดาปจายโนจตัาโรดมมาวดันติอายุวันโนสุขังมาลัง